วันนี้ถ่ายสองช่องเลยเลยใช่ครับทดลอง y ย u ทูบเลยครับสําหรับท่านที่ฟัง facebook live นะครับอสามารถค้นหาคําว่าพระสุชาติไลฟ์ได้ใน youtube นะครับเพื่อลองระบบนะครับลองดูใน youtube ได้นะครับพระสุชาติไลฟ์นะครับดูว่าภาพจะดีกว่าถ่ายเฟซบุ๊กกว่าแต่ว่าสัญญาณไม่ดอกครับอาจารย์สองเครื่องสัญญาณนี้ดรอกรับแล้วเสียงดังไหมเดี๋ยวลองเสียงเชื่อมกันดูว่าเสียงเชื่อมกับตัวนั้นเหรอ เชื่อมใช้วิธีจากหูฟังตัวนี้มาเข้าไลน์อินตัวนี้ครับพระาอาจารย์ต้องต้องลเสียงกันอีกทีหนึ่งว่าในขยายตัวขยายตัวเดียวนแต่เดี๋ยวผมจะทำเป็นเป็นขาเข้ามาเลยนะ<า>เชิอเลยครับตั้งเอาวาง ในนี้มีการสื่อสารที่ทันสมัยติดต่อกันได้ทั่วโลกมีหลายช่องเลยมีมีของ Facebook แล้วก็ของ YouTube วันนี้ลอง YouTube ครั้งแรก ใ Facebook นี่ถ้าเป็นเข้าในแฟนเพจนี่ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนก็สามารถดูไลฟ์ได้ใช่ไห ม, ไมดไมูได้คือเป็นสมาชิก a c e b o o k แต่ไม่ได้เป็นเพื่อนนี่ก็เปิดดูได้ใช่ไห ม, ไม like. ต้องไลฟ์ก่อนนี่เงดูได้ อันนี้มีสาเหตุอะไรคุณนันเอกเขาวเล็กไปพระจันทร์นวันนี้จ้าค่ะท่านกลับมาแล้วเหรอไปเมื่อเช้แเาแได้กลับมาแล้ได้ข่าวท่านไปอเมริกาไปเงนนี้ท่านก็จะไปอินเดียพันสัแต่ไมนี่เราก็ไปแต่เราปทางส <laughs> กาย่รงนี้มีญาติโยมทางแคนาดาเขา นิมนตให้ประเทศแล้วก็นัดกับเขาผ่านทางสกายไปเขาก็ไปนั่งรวมกันในที่ที่บ้านเพื่อนประชุมกันที่นั่นแล้วเขาก็ถ่ายทอดถ่ายสัญญาณแล้วเวลาเวลาเขากับเวลาเราก็ก็ให้มันเหมาะของเรามันช่วงคำ่ำประมาณสองสามทุ่มเขาก็ไปดีเก้าโมงสิบโมงเช้า เขา낮วันหยุดของเขาวันอาทิตย์อาทิตย์เช้าของเขาก็อาทิตย์เย็นของเราอาทิตย์ค่ำของเราเราก็บอกว่าเรามีเวลาช่วง 8-9 โมงตอนคืนนะทางไทยแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีภาพรูปหนึ่งเขาจะมาลุกเิด็จพระจานทน์ตันเนีเขาจะมาที่อินเดียแล้วเขานัดจะให้สการิปไปที่อินเดียวันพุธนึง วันวันเสาร ว, วันเสาวทุกนะกนี้ก็เราไม่ต้องไปเดินทางไปเหนื่อยใครสกายย <c ười> ังไงก็เห็นหน้าตากันอะเห็นหน้าตากันนะแต่มันไม่ได้แบบคมชัดอ่าทันทีเสียงเสียงหน <จะ S 1> ้าตาเพียงแต่ว่ามันไม่คมชัดมันอาจจะแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นใครของใครเสียงก็ชัดดีหรือพระอาานจะลอง แอปตัวนี้มั้ยนะครับ w i ยแครชโกลที่ใช้ถ่ายทอดยูทูบอยู่เนี่ยครับอาจารมันเป็นแอปที่ที่ผมซื้อซื้อไปแล้วอ๋อแต่นี่มันสําหรับคนที่ก็มีสกายเขาก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ใช่ครับมันเป็นเหมือน Messenger อย่างเงี้ยเพียงแต่เขมีภาพด้วยครับมีภาพอ๋อแล้วก็เสียเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้ข้อดีคือว่ามันจะเป็นวิดีโอที่เราบันทึกไว้ซึ่งสามารถเอามาเรียนได้ทุกเมื่ออ๋อนี้อันนี้มันก็มีโปรแกรมที่จะบันทึกได้ได้ใช่ไหมเขาจะ แสดงว่าเราไม่ได้บันทึกนะพอดีเพราะว่าโปรแกรมนี้มันต้องมันต้องดาวน์โหลดมันต้องดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องนะแล้วถ้าเป็นเครื่องพวกนี้มันดาวน์โหลดไม่ได้นนมีใครอยากจะถามอะไรไหมมาจากที่ไหนหนูมาจากอนครยศค่ะเพื่อนดูชมดูลีนะี่ย เพิ่งมาครั้งแรกเลยเพิ่งมาครั้งแรกเลยหนูมาครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรกอ่มีอะไรอยากจะถา ม, หมัหยถามได้ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> จะได้มีเรื่องพูดเรื่องคุยันะบังทีเราก็ต้องหาเรื่องก่อน <c oughs> อ่าคงนี้ก็ได้ครัได้ถามได้เลยครับถามได้เลยครับพระอาจารย์ ยังสบายเลยยังสบายสบายครับโยมจะปฏิบัติมานานแล้วนะคะจะทำแบบไม่ติดต่อตั้งแต่อายุยี่สิบเก้านะคะแต่เพิ่งมาเริ่มจริงจังมาสองปีที่แล้วเนี่นะคะเดิมนี่โยมจะทำแบบเดินขวาย่างหน่อซ้าย่างหน่อดะท้อง้องยุคสิทของหลวงปู่มั่นก็คือจะเดินพุทโธแค่รู้ตัวถาก็ไปสบาย สามส1 0นาทีแล้วก็นั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิโยมพุธโธไม่ได้โยมใช้คาบริกรรมว่า้องหนึ่งยุบหนึ่งแล้วยก็จะนับไปเรื่อยๆก็สงบดีบางครั้งตัวก็จะโยกนิดๆบางครั้งก็คิดไปก็รู้ตัวก็บอกตัวเองว่าคิดหนอแล้วก็กลับมานับไปเรื่อยๆลมหายใจจะเบาลงเบาลงเหมือนจะหยุหด โยมก็ดูดูดูหยุดบางครั้งโยมก็หยุดบริกรมรมแล้วทีพอคิดไปก็รู้ทันบางทีก็ไม่รู้ทันก็หายเข้าไปไม่รู้ไปไหนไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรจะหยุดคําบริกรรมควรจะบริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่มันสงบเข้าไป ถ้ายังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตกหลุมตกบ่อก็อย่าหยุดคบริกรรมพอยหยุดแล้วจิตมันจะไปมันจะสติมันขาดแล้วต้องพยายามบริกรรมไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่ชี้บริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็เหมือนเดินตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบแต่ที่โยกนิดๆไม่ใช่ตัวไม่กลจะโยกเลย ตัวคนจะนิ่งความรู้สึกว่าโยกอย่าไปโยกมันทำยังไงดีคะก็นั่งตอนนี้เราเหมือนเรานั่งตอนนี้เราไม่โยกไม่ใช่เพราะเรามีสติอยู่ไงถ้ามันโยกแสดงว่าเราไม่มีสติสติเรามันอ่อนละแล้วเราทำยังไงคะก็ให้กลับมาที่ตัวพุทโธเนี่ยพุทโธไม่ไปม่ไม่ไปดูโยกนะคะอย่าไปดูโยกให้ให้ดูพุทโธไว้ให้อยู่กับหรือคำบริกรรมของเราค่ะโย โยมพอพุทธโยมชิมพองไปแล้วพองยุบได้ได้พอพองแล้วยอมก็นักหนึ่งพองหนึ่งยุบหนึ่งพองสองยุบสองนับไปถึงห้าแล้วกลับมานับใหม่อ่าแล้วก็จะอยู่อยู่ได้อยู่อยู่ตรงเนี้ยได้อแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าจดจ้องเคร่งเครียดเกินไปใช่ไหมพญานก็แต่ที่ท้องเนี่ยค่ะคือมันต้องจดจ่ออย่าเครียดไม่เครียดมันก็อยู่ที่กิเลสมั้งบงทีมันก็ทําให้เราเครียดได้แต่ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน ขอให้เราจดจอ่อเพราะปกติใจเรามันชอบลอยไปลอยมาอพอเราไปควบคุมบังคับนั้นมันก็เลยเครียดขึ้นมาได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมันสงบแล้วมันก็จะหายเครียดเองอขอให้เรามีคำบริกรรมไว้ก็แล้วกันส า, สาวช่วรับุระเจ้ า, าบริกรรมไปเรื่อยๆอ ย, ย่ยาหยุดอย่าหยุดนะคะ แต่ถ้าบางทีลมมันแผ่วจะเงียบก็ไม่ต้องไปกังวลกับลมแผ่วก็รู้ว่าแผ่วเงียบก็รู้ว่าเงียบแล้วบริกรรมบริกรรมไปเรื่อยๆมันไม่พองไม่ยุบแล้วตอนนั้นมันไม่มีไม่มีอะไรจะยุบไม่มีอะไรจะพองก็ก็ใช้พุทโธไปก็ได้เปลี่ยนเป็นพุทโธอพุทโธต่อไปก็ได้แล้วก็คอยดูว่าเมื่อไหร่มันกลับมาจนกว่ามันจะนิ่งสงบไปมันจะวุบลงไป แล้วมันก็หยุดมันทุกอย่างก็หยุด<ม>คำบริกรรมพุทโธตนนั้นก็หายไปแต่เราจะมีความรู้สึกมหาศักริ์ใจ<ม>ว่ามันสบายมันมีความสุขมันเ<ม>บาอกเบาใจอันนั้นมันถ้าถึงตอนนั้นแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อเราได้พบกับความสงบแล้ว<ม>แล้วเราก็รู้ว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วเพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไป ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พยายามบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วเวลาอะไรามาปรากฏให้รู้ให้เห็นก็อย่าไปสนใจมันเราไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรมันมาก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับคำบริกรรมของเราไปเพียงอย่างเดียวจนกว่ามันจะวุบลงไปนิ่งแล้วทุกอย่างหายไปหมดหรือแต่อุเบกขาหรือแต่สักแต่ว่ารู้ แสดงว่าได้สมาธิจิตสงบนะ้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าหยุดบริกรรมบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปคาดคะเนเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะวุบสักที<ะ>ไม่ต้องไปสนใจ<ะ>ให้สนใจอยู่กับควาบริกรรมเพียงอย่างเดียวนะลองทําดูได<จ>้มีอีกคําถามาในชีวิตประจําวันนี่อ่า คุณพ่อแม่แก่มากแล้วก็เห็นท่านสื่อแล้วก็ลูกชายก็มีมีลกูกสรุปว่าตอนนี้โยมมีพ่อแม่แล้วก็โยมมีหลานยา่า<ม>แต่โยมเศร้าอก็เพราะว่าเราไปยึดไปติด ก, กับเขาไงเราไม่ใช่ปัญญาพิจารณาสอนใจว่าร่างกายนี้ เป็นเพียงอาการ32มาจากดินน้าลมไฟที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่ร่างกายนี้ไม่มีเป็นไม่มีตัวตนในร่างกายตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกตัวหลานไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงลุกกตาตัวหนึ่งที่ใจใช้เป็นเครื่องม้เครื่องมือสั่งให้พาไปพาใจไปไหนมาไหนอย่างตอนนี้โยมสั่งให้เอาร่างกายของโยมมาที่นี่ตัวคนสั่งกับคนตัวที่ถูกรับสั่งนี้เป็นคนลับตัวกันร่างกายนี้เป็นบ่าวใจเป็นนาย ใจสั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ดูนูน่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่แต่ไม่ได้เป็นคนสั่งเป็นคนรับคำสั่งคนสั่งกับคนรับคนสั่งนี่คนละคนกันเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจพ่อแม่พี่ปู่ย่าตายายาลูกหลาน<ม>ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เวลาที่ร่างกายเขาตายไปตัวเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาตัวเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้พ่อแม่คนใหม่ได้พี่น้องคนใหม่เหมือนที่เรามาเกิดใหม่คราวนี้พ่อแม่คนใหม่นี้เราก็เป็นเป็นพ่อแม่คนใหม่ของเราไม่ได้เป็นพ่อแม่คนก่อนที่เราจากกันมานี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของใจเรา ใจเราเปลี่ยนร่างกายเหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เหมือนกับร่างกายนี่เหมือนกับเสื้อผ้าเนี่ยวันนี้เราใส่ชุดนี้เดี๋ยวพวกนี้เราก็เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งละพอชุดนี้เราต้องเอาไปซักเลยถ้ามันขาดมันใส่ไม่ได้เราก็โยนทิ้งไปร่ <Ugh. S 1> างกายนี่ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของใจที่ใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ạ. เพราะว่ามันเสียชารุดร่างกายนี้มัน แก่มันเจ็บมันตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายก็ต้องทิ้งมันไปแล้วก็ถ้ายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปดูว่าใครกําลังตั้งท้องอยู่ใครตั้งท้องอยู่ก็ถ้าไม่มีใครจับจองก็เราก็เข้าไปจับจองได้แล้วเราก็จะได้ร่างกายอันใหม่ได้พ่อแม่คนใหม่ ถ้าเราพิจารณาแยกร่างกายออกจากใจแล้วเราจะไม่รู้สึกเศร้าเพราะเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวตัวเราหรือตัวพ่อตัวแม่หรือตัวลูกตัวหลานเขาต้องเปลี่ยนร่างกายเหมือนกับเราต้องเปลี่ยนร่างกายเพราะร่างกายของพวกเราทุกคนมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าเราไปยึดติดเราก็จะเกิดความอยากไม่ให้เขาจากเราพอเกิดความอยากก็เกิดความเศร้าขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องจากเราแต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจพิจารณาอย่างนี้อเรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองมาจากดินน้ำลมไฟเป็นคนรับใช้เราเป็นคนรับใช้พ่อแม่พี่น้องลูกหลาน เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ต้องเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ยมไหมขอร้องพาเด็กไปที่อื่นได้ไหมนะที่นี่ไม่ใช่ที่เด็กมานั่งร้องส่งเสียงดังข อ, อาพาไปที่อื่นไปไปที่ไกลๆแล้วจะร้องถนาดไหนก็ไม่ว่าเลยที่นี่เขาต้องการความสงบอาจารย์บางทีมันรู้สึกว้าเว มนก็เพราะว่าใจเราไม่สงบมันมันชอบมีเพื่อนไปนะโยมอย่ามาเด้อเลยนะเดี๋ยวมันรบกวนคนอื่นไม่ได้ไม่รู้หรอไปพาไปนั่งที่อื่นไปเด็กมันไปห้ามมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็วีดขึ้นมาอีก ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วความว่าเหว้นี่มันจะหายไปใจสงบแล้วความอยากต่างๆมันหายไปตอนนี้ใจเราไม่สงบนี่มันมีความอยากอยากมีเพื่อนอยากมีอะไรพอไม่มีพออยู่คนเดียวก็เรารู้สึกว่าเหว่่แต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบนี่ความอยากมันหายไปเลยความว่าเหว่่ก็จะหายไปแล้วต่อไป อยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกว่าเวกับจะชอบอยู่คนเดียวก็อยู่กันหลายคนแล้วกับมีแต่เรื่องวุ่นวายใช่ไหมเนี่ยมีเด็กมันก็วุ่นวายแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรมาสร้างเรื่องวุ่นวายต่างๆยังพยายามภาวนาไปพยายามนั่งสมาธิไปให้มากๆก่อนจะมานั่งก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆก่อนอเวลายังไม่ได้นั่ง ก็ให้ฝึกสติเดินหนอยุบหนอท้ายหนอก้าวหนอไปทำอะไรก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังหวีผมก็หวีผมหนอกินข้าวก็เคี่ยวหนอคืนหนอให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่อยเปื่อยเพราะถ้าเราไม่คุมมันไว้เวลามานั่งเดี๋ยวมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อย มันจะไม่ได้ดูยุบเนาะพองเนาะยังต้องฝึกไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมานั่งให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลานั่งมันจะสงบง่ายแล้วก็จะมีความสุขแล้วมันจะไม่อยากจะได้อะไรเราถ้ามีความสุขใจแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะอยู่ใกล้ใคร แล้วเวลาใครจะจากเราไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรสมาธินี้สำคัญมากนะขอความบริูณานะเอาเด็กไปที่อื่นไปที่นี่เราไม่ทําการคนคุยกันนะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้มีแต่เอาเด็กไปที่อื่นนะอย่ า, อาขึ้นมา ทำไนี่มันต้องมีความสงบมีสมาธิถ้ามันมีเสียงโน้นเสียงนี้มันมาทำลายสมาธิของคนฟังทําลายสมาธิของคนพูดมันทําให้เราเหมือนมันสะดุดเหขับรถบนถนนที่มันมีหลุมมีบ่อมันขับไปไม่ไม่สะดวกเดี๋ยวต้องคอยหลบลุมหลบบ่อพูดแล้วมันมันตะกุกตะกัดมันมันไม่ไหลลื่น พ่อพูดเดี๋ยวก็ไปสดุดเสียงนั้นเดี๋ยวไปสดุดเสียงนี้คนฟังก็ฟังไม่ค่อยมีรสเท่าไหร่ฟังแบบตะกุบตะกัดถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมเทศั้นบอกว่าต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาสงบก็เรียกว่าศีลใจสงบก็เรียกว่าสมาธิการจะฟังทําให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิฏฐิ เกิดบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ต, ต้องฟังด้วยศีลต้องฟังด้วยสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดแล้ววิมุตติก็จะเกิดการหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นมาเพราะมันอาศัยการค่ายควรการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลธรรมนี่เป็นเรื่องของเหตุผลถ้าเราเข้าใจเหตุว่าเป็นอย่างนี้ทำให้เกิดผลอย่างนี้ เราก็จะได้แก้ไขถ้าเรามีเหตุไม่ดีทำให้เกิดผลไม่ดีเราก็เลิกเหตุไม่ดีเสียพอเลิกเหตุไม่ดีผลไม่ดีมันก็ไม่เกิดเหตุที่ดีเราก็สร้างมันขึ้นมาผลที่ดีมันก็จะเกิดเหตุที่ดีก็คือสติให้เราหมั่นสร้างสติกันพอถ้าเรามีสติแล้วผลที่ดีก็คือความสงบ ก, ก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิด เมื่อเกิดแล้วเวลาฟังธรรมก็จะเข้าใจแล้สามารถบรรลุปล่อยวางได้ในวันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องร่างกายเราก็จะไม่ทุกขกับร่างกายต่อไปถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นตั ว, ตวพ่อแม่ไม่ได้เป็นตัวลูกหลานเป็นเป็นคนรับใช้ร่างกายของมนุษย์ทกคนี่เป็นคนรับใช้พวกเราทั้งนั้น แต่พวกเราไม่รู้เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยอยากให้คนรับใชน้นี้ไม่จากเราไปแต่ธรรมชาติของคนรับใชน้นี้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเขาแก่เจ็บตายเราก็เสียอกเสียใจแล้วเราก็ไปหาคนใหม่เราก็ไปเกิดใหม่แล้วก็มาเสียอกเสียใจกับคนใหม่เราเสียอกเสียใจกับ คนรับใช้มาไม่รู้กี่ล้านคนแล้วท่านบอกว่าน้ําตาที่เราหลั่งแต่และครั้งที่เราเสียคนรับใช้เราไปเนี่ยถ้ามารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรซคิดดูว่าเรามีคนรับใช้กี่คนเราร้องไห้กับคนรับใช้นี่มากี่คนและ้ะมีเป็นแสนล้านๆแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงอันนี้แล้ว เราก็จะปล่อยวางร่างกายเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจให้เขาจากเราไปพอเรารู้ว่าเราทำสัญญากันแล้วเขาเราัเขาจะรับใช้เราเพียงแค่ตายนะพอเขาตายแล้วเขาก็ต้องไปแล้วเขาไม่สามารถรับใช้เราไปได้ตลอดเรานี่แหละเป็นตัวที่ไม่ตายดงนั้นพอเราไปได้อะไรที่มันตายเราก็เสียใจ ฉันเราจึงอยากไปได้อะไรที่มันตายดีกว่าพรได้มาแล้วจะต้องเสียใจใเอาเอาของที่มันไม่ตายดีกว่าของที่ไม่ตายก็คือธรรมะนี่แหละเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาพวกนี้ไม่ตายพวกนี้จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วจะผลิตความสุขให้กับเราไปตลอดผลิตความสงบตัดตัวที่มาทํา ให้มันหมดไปจากใจปัญหานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันอยากให้ร่างกายไม่ตายก็ทุกข์แล้วอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์แล้วแต่อยากยังไงมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่เจ็บมันไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายมันจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องตัดความอยากไปให้หมดอยากไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายนี่คือปัญญา จะทำใจได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนมีความสงบก่อนถ้าไม่มีความสงบนี้มันจะทําใจไม่ได้มันจะมันจะอยากจะอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่านั่งสมาธินี่มันจะหยุดความอยากก่อนแล้วพอความอยากมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญากับสมาธิช่วยกันตัดมันได้ เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพื่อให้มีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาขึ้นมาพอมีสมีสมาธิมีปัญญาก็สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับจิตใจของพวกเรา ส้างสิ่งที่ให้ความสุขกับใจของพวกเราอย่างถอทาวรไม่มีวันจบไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายนี้มันไดเพียงชั่วคราวได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเวลาจากกันก็เสียใจในลูกได้หลานก็ดีใจเดี๋ยวเวลาจากกันก็จะเสียใจแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะ ไม่ไม่อยากได้อะไรลูกหลานจะมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนมีก็มีไปเวลาจากกันก็จากกันไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาพอใจเราไม่ได้มีความอยากที่จะอยู่กับเขาไปนานๆอยู่กันแค่อยู่กันได้เท่าที่อยู่กันได้พอถึงเวลาที่จะต้องไปจากกันไปก็ไปกันไปใจที่มีความสงบนี้จะไม่ยึดไม่ติด ต่ไม่มีความอยากอยู่กับอะไรนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหากันหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดความสุขที่เกิดจากการมีสติมีสมาธิมีปัญญาดีกว่าความสุขที่เกิดจากการมีลาบยศ ส, สรรเสิญมีรูปเสียงกลิ่นรสมีคนนั่นคนนี้เพราะว่ามัน เป็นความสุขชั่วคราวเวลามันเสื่อมเวลามันหมดเราก็จะเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันต้องมีวันหมดของทุกของต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นได้อะไรมาแล้วก็ต้องจากกันเพราะร่างกายของเรานี้ก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายนี้เราตายไปของที่เราได้ ผ่านทางร่างกายก็จะต้องหมดไปต้องจากเราไปหมดเวลาร่างกายตายไปราบยศสรรเสริญก็หมดไปคนนั้นคนนี้ก็หมดไปจึงไม่มีใครอยากตายกันคนที่ไม่มีความไม่อยากตายก็มีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะท่านไม่มีความยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ ท้าไม่เดือดร้อนเวลาที่ท่านต้องจากสิ่งต่างๆไปเพราะว่าท่านมีสิ่งที่ดีกว่าติดตัวอยู่ก็คือความสงบความสุขใจที่เกิดจากการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราต้องพยายามสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้ามีแล้วเราจะมีที่พึ่งเรียกว่าธรรมังสรารังกชามิ ที่จะรักษาใจให้เรามีความสุขไม่ให้เราทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมีใครอยากจะถามอะไรไหมยอ้ามาอยากจะถวายของนะเข้ามาอ่งเวันนี้มาสายหน่อยนะ มีมีใครรายงานเข้ามาทาง youtube มอ๋ u ยูทูบดูแล้วครับอาจารย์ภาพชัดกว่าทางนี้แต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องเสียงซึ่งมันรับจากกล้องโดยตรงก็ทําให้ยังไม่ ไ, ไม่ดังเลยครับดังครับแต่เพียงแต่ว่าเสียงเบาตอนนี้ปิดไปแล้วเนหะปิดไปแล้วอรย์พระเ ร, รู้ว่าชัดแล้วครับรอาจารย์รู้ว่าใช้ได้แต่ว่าแค่เสียงอย่างเดียวครับอาจารย์ไม่ถ่ายไปเรื่อยๆเหรอเผ่อใครออเอกได้ครับเดี๋ยวลองดูครับอาจารย์ เมื่อกี้ประกาศให้เขาเข้าไปดูลองเลยนี่ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถ่ายไว้จะได้ข้อความเรื่อยๆแต่แต่สัญญาณภาพก็คือไม่ไม่ดึงกันเลยครับอาจารย์ก็บอกเขาว่าตอนนี้มีแต่ภาพเสียงยังไม่ได้พัฒนาแล้วพันาใหม่เผื่อใครเข้าไปดูจะได้รายงานได้ครับก็ถ้าผู้จะเข้าไปดูก็ค้นหาใน youtube ว่าพระสุชาติไลฟ์นะครับก็จะเจอนะครับผมเดี๋ยวก็ถ่ายใหม่นะครับเมื่อวานนี้เราลองเข้าไปคนไม่มีเพราะคุณไม่ได้โพสคุณลบไปเลย อันเมืานผมอาจจะลบไปครับอาจารย์อันนี้ไม่ลบใช่ไหมไม่ลบครับอาจารย์เดี๋ยวเย็นนี้จะลองเข้าไปเช็กดูครับอันนี้เป็นช่องใหม่เป็นเป็นอะไรครับใหม่สามารถเอาไปลงในอันซิงธรรมะก็ได้ครับอาจารย์แต่อันนี้มันเป็นของมันเองใช่ไหมใช่เป็นช่องใหม่ของมันเองใช่ไหมช่องใหม่ครับที่ผมเกียนไปว่าพระสุชาติร้ายได้เลยทำเดียวเลย เป็นคำเดียวก็สองคำคำเดียวก็ได้หรือสองคำก็จอหมดครับจารจวัก็ได้ม่วัดก็ได้ครับภาพสื่อชาตไลฟ์ติดกันก็เจออยู่ดกันเพราะวานิเสไม่เจอภาษาอังกฤษครับภาพสือชาตไลฟ์ครับของยู u ูบนะไม่ใช่ของเฟซบุ o กนะต้องเป็นสมาชิก็เปล่ายูทูบไม่ต้องครับอาจารย์ซึ่งถ้ายู u ูบเนี่ยครับในอนาคตเราสามารถเอาหน้าเนี่ยครับเพราะมันจะเป็นช่องไลฟ์ของมันโดยเฉพาะ เอาไปแปะไว้ที่หน้าพัสุชาติ .com ได้เลยแล้วพอถึงเวลามันก็จะ2โมงมันก็จะเข้าเองมันก็จะมาเองแต่ว่าก็คือที่ผมวางแผนไว้ก็คือว่าถ้าเรีคอร์ด YouTube ไว้เยอะๆแล้วเนี่ยก็จะเอามารันโดยใช้คอมพิวเตอร์มอส์บุ๊กตัวเล็กรันมันทั้งวี่ทั้งวันไปเลยของเก่าของอะไรก็จะกลายเหมือนกับพัสุชาติชแนอย่างนั้นอะไรนั้นไปเลยครับอาจารย์ก็จะแบบอย่างนั้นนะครับมันจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆเลยครับ ทำในี้ทันสมัยมากเรื่องการสื่อสารถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็จะหลงกับมันได้มันเป็นเพียงเครื่องไม้เครื่องมือมันทำให้เราสะดวกต่อการได้ยินได้ฟังธรรมแต่มันก็เป็นแค่เพื่อความสะดวกนั่นเองเรื่องเดิมก็เหมือนกันก็คือต่อให้เราได้ยินได้ฟังธรรมสะดวกขนาดไหนถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็เหมือนเดิม มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีผลมันอยู่ที่การปฏิบัติไอ้เรื่องการฟังธรรมนี่เป็นการเหมือนดูดูแผนที่เวลาเราจะเดินทางไปไหนที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องเปิดแผนที่ดูก่อนว่าที่เราจะไปนี่ไปอย่างไรถ้าเราดูแผนที่แล้วรู้แล้วว่าทางที่เราจะไปไปอย่างไรถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เราก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเราก็ยังไปไม่ถึงอยู่ดีฉะนั้นเครื่องเครื่องมือสื่อสารต่ตางๆเหล่านี้ถึงแม้จะทันสมัยจะสะดวกรวดเร็วมันก็ยังเป็นเพียงเครื่องไม้เครื่องมือมันยังไม่สามารถที่จะทำให้เร า, เาได้บรรลุธรรม การบรรลุธรรมก็ต้องกลับมาแบบเดิมต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิยุบเนอพองหนอะก้าวเนอวางหนอต้องฝึกสติต้องเจริญสติไปอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีถ้าเราไปติดกับเพื่อเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เดี๋ยวมันเกิดมันเสียเกิดมันติดต่อสื่อสารกันไม่ได้มันก็จะเดือดร้อนวุ่นวายกันขึ้นมา ้ถ้ามันไม่มีก็อย่าไปกังวลกับมันแล้วใช้วิธีเก่าได้หนังสือธรรมะเนี่ยพกพาติดตัวเราได้หรือไม่ไม่เช่นนั้นก็ไปหาครูบาอาจารย์อย่างที่ยากอยู่มาวันนี้ก็มากันเลยอาจจะลำบากหน่อยแต่มาแล้วมันก็ได้ได้ฟังกันได้ถามตอบกันเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เราจะได้นำมาไปปฏิบัติให้มันถูกถ้าปฏิบัติถูกผลมันก็จะเกิดถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยปฏิบัติมา20ปีมันก็ไม่เกิดผลนะยังต้องศึกษาก่อนศึกษาให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าทำอย่างไรพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องออกไปทำถ้าเราไม่ไปทำนี่ผลไม่เกิดผลไม่เกิดจากการศึกษา ผลเกิดจากการกระทําผลเกิดจากการปฏิบัติเอียนพอหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องออกไปทำํำเอาไปฝึกสติให้มากๆแล้วก็อาไปนั่งสมาธิให้มากๆให้จิตรวมให้มากๆแล้วจิตจะมีพลังที่จะหยุดความอยากหยุดอารมณ์ต่างๆได้ต่อไปใจเราจะว่างไม่มีอารมณ์ ไม่รู้สึกว่าเว้าเศร้าส้าสาสาสาอยหงอยเหงาไม่รู้สึกหงุดหงิดําคาญใจของเหล่านี้มันเกิดจากความอยากทั้งนั้นพออยากแล้วมันไม่ได้แล้วก็างุดหงิดลาคาญใจต้องดิน้นต้องไปหาสิ่งที่อยากได้พอได้มาก็หายชั่วคราวเดี๋ยวก็ความอยากก็กลับมาใหม่ความหุดหงิดก็กลับมาใหม่วิธีที่จะแก้ ความหงุดหงิดนี่ไม่ไม่ใช่แก้ด้วยการไปทำตามความอยากถึงแม้ว่ามันจะหายแต่มันหายเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็กลับมาใหม่วิธีที่จะแก้แบบไม่ให้มันกลับมาใหม่ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องทำใจให้สงบพอมันหงุดหยิดล้วก็พุโทโธพุโทโธไปบริกรรมไปนั่งสมาธิไปพอความอยากหายไปความหงุดหงิดก็หายไป แล้วความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาอีกกลับมาแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมานี่คือวิธีแก้ปัญหาของอารมณ์ต่างๆอารมณ์เศร้าซ้อยง้อยเหงา ว, ว้าเวหงุดหงิดอะไรเหล่านี้เราต้องหยุดมันทําใจให้สงบหยุดความอยากพอความอยากหมดไปแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะหมดไป แล้วความอยากก็จะไม่กลับมาใหม่ไม่เหมือนกับวิธีทําตามความอยากแล้วทำให้อารมณ์มันหมดไปแต่มันหมดไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม่เนี่ยเราแก้วิธีของเรามาตั้งแต่เกิดแก้ด้วยการทําตามความอยากกันพอเหงาก็ไปหาเพื่อนไปหาคนนั้นคนนี้พอได้เจอเขาก็หายเหงาเดี๋ยวพออยู่คนเดียวก็เหงาขึ้นมาใหม่ นี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ที่ถูกจุดวิธีแก้ที่ถูกจุดก็คือต้องหยุดความอยากทำใจให้สงบ้าใจสงบแล้วความเหงามันก็จะหายไปอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปดังนนต้องปฏิบัติต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้สตินี้เป็นตัวสาคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลาย พระพุทเจ้าทรงเปรียบเทียบสติความยิ่งใหญ่ของสตินี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่านี้ได้ใหญ่กว่าเสือใหญ่กว่าสิงโตใหญ่กว่าสัตว์ต่างๆทั้งหมดช้างนี่ใหญ่ที่สุดธรรมที่ใหญ่ที่สุดก็คือสติใหญ่กว่าสมาธิใหญ่กว่าปัญญาใหญ่กว่าวิมุตติการหลุดพ้น เพราะว่าไม่มีสติแล้วสมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้วิมุตติเกิดไม่ได้สตินี้เป็นเหมือนพ่อแม่ของธรรมทั้งปวงสตินี้สำคัญมากไม่มีสติก็มาที่นี่ไม่ได้วันนี้ถ้ากินเหล้ามาวันนี้ก็นอนหรือโซซัดโซเซไม่รู้เรื่องรู้แล้วจะมาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็มาไม่ได้ จะมาทำทานก็ทําไม่ได้คนที่เมาเหล้าไม่มีสติก็เหมือนคนเสียสติคนเสียสติคนทพิค น, คนเรียกว่าคนบ้าไม่สามารถทําทานไม่สามารถรักษาศีลไม่สามารถธรรนาได้จึงจําเป็นต้องมีสติก่อนพอมีสติแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิจิตสงบ เราก็สามารถเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญานี้ต้องเจริญเวลาที่ออกจากความสงบขณะที่จิตสงบนี่ไม่ต้องเจริญปัญญาตอนนั้นเราต้องการสร้างความสงบให้มีไว้มากๆเหมือนกับเราแช่น้ำไว้ในตู้เย็น เ, นเราต้องการแชร่ให้มันนานๆเพื่อให้มันเย็นจนกระทั่งมันเป็นน้ำแข็งเลยยิ่งดี เพราะเวลาที่เราจะเอาออกมาแล้วเราจะเอาไปไหนมาไหนมันยังเย็นอยู่เย็นวันนี้โยมาน้ำขวดยึงแช่น้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเลยมาตั้งไว้นอกตู้เย็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ยังเย็นอยู่เพราะมันมีน้ำแข็งอยู่ในในน้ำเรานั่งสมาธินานก็เพื่อให้ใจเย็นมีเหมือนน้ำแข็งเพราะเวลาเราจะพิจารณาทางปัญญานี้ใจต้องเย็นถึงจะ ทึงจะทำได้เรากติใจเราจะไม่ชอบพิจารณาเรื่องที่ทำให้ใจเราไม่สบายใจเช่นเราไม่ชอบพิจารณาความตายเราไม่ชอบพิจารณาอสุภะของที่ไม่สวยไม่งามแต่ถ้าใจสงบใจเย็นนี้ใจจะไม่ไม่ปฏิเสธคือใจสามารถพิจารณาได้อย่างสบาย กล้ามองความตายกล้ามองอสุภะความไม่สวยไม่งามต่างๆเพราะกิเลสตัวที่ไม่ชอบมองนี้ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้มันก็เลยทำให้การพิจารณาความตายนี้ไม่รู้สึกหดหูปกติถ้าใจไม่สงบนี้พอคิดถึงความตายแล้วจะหดหูคิดถึงความตายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของลูกของหลานแล้วมันรู้สึกหดหูใจ เพราะมันมีกิเลส ต, ตัวที่ไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่เวลาเรานั่งสมาธิเรากดตัวนี้ไว้กดตัวความอยากไว้ถ้านั่งนานมันก็จะกดไว้ได้นานพอออกจากสมาธิมาเราก็พิจารณาเตือนใจเราต้องคิดบันถึงจะจําได้ถ้าเราไม่คิดแล้ว เ, เราเดี๋ยวก็ลืม อ, ออกจากสมาธิมาเราก็คิดเลยว่าร่างกายเราต้องตายร่างกายของพ่อแม่เราต้องตาย ของลูกของหลานต้องตายแต่ไม่ได้เป็นตัวเขาตัวเขาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวเขาอยู่ที่ใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายของเขาให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้จดให้จําไว้พอออกมาจากสมาธิคิดได้สักพักเดี๋ยวความย็นใจมันก็หมดไปเหมือ น, นน้ําที่แช่เย็นพอเอาจากตู้เย็นมาสักพักหนึ่งก็หายเย็นพอใจหายเย็นมันก็จะเริ่มร้อนเริ่มเกิดอารมณ์ เมสกดหูเวลาพิจารณาความตายเราก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เอาไปแช่เย็นใหม่ทำใจให้เย็นก่อนเอาน้ำที่มันไม่เย็นนี่กลับเข้าไปแช่ในตู้ก่อนแช่จนกว่ามันจะเย็นเฉียบแล้วค่อยเอามาดื่มใหม่นสมาธิมีหน้าที่คอยรักษาความเย็นของใจเพื่อให้ใจนี้ไม่มีอารมณ์หดหูเวลาพิจารณาความจริง เหที่เราต้องพิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่ลืมเพื่อเราจะได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เราไปหลงไหลว่าเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เราอยากให้อยู่กับเราเป็นน า, นานนี้มันไม่อยู่กับเราเป็นนา น, านเราต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆงั้นมันมันจะลืมพอได้อะไรมาแล้วอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอด แล้วก็คิดว่าเราก็คือร่างกายความจริงร่างกายมันก็ไม่ใช่เราเรามันก็ไม่อยู่ไปตลอดไอเราน่ยจริงๆเราอยู่ไปตลอดคือใจเรานี้ไม่มีวันตายแต่เราไปคิดว่าเรามันเป็นร่างกายความจริงใจมันเป็นใจไม่ได้เป็นร่างกายใจนี่จะอยู่ไปตลอดแต่ไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดกับใจเพราะทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงหมดร่างกายไม่เที่ยง ร่างกายของเราไม่เที่ยงร่างกายของพ่อของแม่ไม่เที่ยงของลูกของหลานไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆไม่เที่ยงหมดแต่ใจนี่ละตัวเดียวที่อยู่กับเราตลอดไม่มีวันจากเราไปแลเราต้องสอนใจเพื่อให้ปล่อยวางทุกอย่างเพราะถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกเวลายา ก, กันเวลาต้องจากกันถ้าปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์ มันจะปล่อยได้ก็ต้องรู้ความจริงรู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันจากกันของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมก็มาเดี๋ยวเจ้าของก็มาขอคืนไปแล้วร่างกายนี้เดี๋ยวสับเปลือกก็มาลับคืนไปเอามาไปส่งให้กับดินน้ำลมไฟ ร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องคืนดินน้ำลมไฟไปร่างกายพอเราไปเผานี่ธาตุไฟก็หายไปธาตุน้ำก็หายไปเหลือแต่ธาตุดินเนะเหลือแต่เศษกระดูกเหลือแต่ขี้เท่าเนะแสดงว่ากลับคืนสู่เจ้าของเดิมแล้วต้องหมั่นพิจารณา ถ้าไม่มีสมาธิจะพิจารณาความจริงเหล่านี้ไม่ได้มันไม่มันไม่อยากพิจารณามันไม่อยากคิดมันอยากจะคิดแต่เรื่องอยู่ด้วยกันไปนานๆมีความสุขไปด้วยกันนานๆไปเที่ยวกันไปทำอะไรร่วมกันพอเดี๋ยวถึงเวลาไม่ได้ทำมันก็จะเสียใจแต่ถ้าคิดไว้ล่วงหน้าต่มันก็จะเลิกคิดว่าจะต้องอยู่ด้วยกันนานๆต้องรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีวันจบแล้วนะ เหมือนดูหนังน่ะหนังเดี๋ยวมัก็ต้องมีตอนจบพอจบแล้วก็ออกจากโรงไปเหม็นเดือนร้อนในคนดูหนังร่างกายเราก็เป็นเหมือนหนังโงหนึ่งละครเรื่องหนึ่งเราก็ดูว่าเดี๋ยวร่างกายจบหนังก็จบแล้วก็ออกจากโรงไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนโรงใหม่ไปดูหนังที่โรงใหม่นี่คือเรื่องปัญญาต้องมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา ถึงจะปล่อยวางได้ถึงจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้ามีสมาธิอย่างเดียวมันไม่มันยังมันยังหลงอยู่ถ้ามีปัญญาไม่มีสมาธิมันรู้แต่มันปล่อยไม่ได้ตอนนี้เรารู้แล้วฟังแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ยังปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิเราไม่มีกำลังปล่อยตัวที่จะปล่อยก็คือสมาธิ เวลานั่งสมาธิจิตสงบมันปล่อยร่างกายชั่วคราวนะตอนนี้เราไม่ปล่อยมันติดกันเวลานั่งสมาธินี่แยกกันใจยแยกออกจากร่างกายใจยปล่อยร่างกายแล้วเราต้องหัดปล่อยร่างกายด้วยสมาธิพอปล่อยได้แล้วออกมาเวลามันมารวมกันก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจว่าเดี๋ยวมันต้องแยกกันนะมันจะอยู่มันไม่ได้เป็นตัวเดียวกัน ถึงเวลายากต้องปล่อยให้มันยากนี่ก็เรื่องของธรรมะที่เรามาศึกษามาฟังกันถ้ามีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ถ้าไม่มีจะให้พรก่อนเพื่อคนที่ว่ามาสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกอะไร ก็ต้องหัดนะสิเหมือ น, นาการร่ อ, อรเริ่มต้นอ่ะเริ่มเริเรด้วยสติไงฝึกสติไปก่อนล<อ>ืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปทําอะไรทั้งวันก็อยู่กับพุทโธไปอาบน้ําก็พุทโธไปล้างหน้าก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องไร้สาระต่างๆถ้าจะคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุทโธได้ชั่วคราวถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการก็หยุดได้ พอไม่ต้องคิดเรื่องงานการเรื่องทําเป็นที่จะต้องคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะคิดแล้วมันจะไปคิดไปทางกิเลสคิดไปในทางความอยากแล้วทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าคิดอยู่กับพุโทโธแล้วมันจะไม่มีอารมณ์มันจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งจะสงบได้เอา ต, ต้องฝึกสติก่อนพอมีสติแล้วก็ต้องหาเวลานั่ง นั่งหลับตาปิดตาแล้วก็พุทโธไปพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเอาทั้งสองอย่างปนกันก็ได้บางคนชอบพุทโธอย่างเดียวก็ท่องพุทโธไปบางคนชอบดูลมอย่างเดียวก็ดูลมไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บางคนชอบเอามาปนกันหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธ อันนี้ก็ได้มีหลายวิธีวิธีนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบถ้าทําได้ใจสงบแล้วจะมีความสุขมากจะทาให้เรานิดไม่หิวไม่อยากได้อะไรแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวพ อ, อ, อจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้ปัญญาคอยตัดมันตอนว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่ได้ความสุขหรอกมันให้ความทุกข์มากกว่า เพราะสิ่งที่เราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียมันไปเวลาเสียมันก็ต้องเสียใจงั้นอย่าไปเอามันดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างดีกว่ากลับมานั่งสมาธิดีกว่าเวลาอยากจะไปกินกาแฟก็กลับมานั่งสมาธิแทนเวลาอยากจะไปกินขนมนมเนยก็นั่งสมาธิแทนเวลาอยากจะดูละครดูอะไรก็มานั่งสมาธิแทน ทอย น, นี้ไปต่อไปเราจะไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ดูละครไม่ต้องกินขนมไม่ต้องดื่มกาแฟสบายกว่าคนติดขนมติดกาแฟนี่ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆคนที่ไม่ติดนี่เขาไม่เดือดร้อนมีไม่มีเขาก็ไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีเริ่มต้นเริ่มต้นที่พุทโธจเริ่มสติก่อนสร้างสติ การท่องพุโทโธนี้จะทำให้ใจเราไม่สามารถลอยไปตามกับความคิดได้ปกติเราตื่นขึ้นมาเราเริ่มคิดไปเรื่อยๆวันนี้ไปหาคนนู้นไปหาคนนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อ ย, นนอยากไปทำนู่นอยากไปทำนี่เราหยุดมันดีกว่าใช้พุโทโธพุธโทโธแล้วมันก็จะหยุดคิดมันก็จะไม่ไปคิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตมันจะอยู่ปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกาย เราก็เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปควบคู่กับพุทโธไปอาบน้ําก็พุทโธแปรงฟันก็พุทโธล้างหน้าก็พุทโธหวีผมก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธรับประทานอาหารก็พุทโธเดินทางไปทํางานก็พุทโธไปเวลาทํางานก็หยุดพุทโธใช้ความคิดไปกับการทํางานพอไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็กลับมาพุทโธต่อ หรือถ้ามันไม่คิดอะไรมันเฉยๆก็ไม่ต้องพูดธโธก็ได้<ม>ถ้ามันหยุดคิดแต่ถ้ามันเริ่มคิดวันอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากจะไปเที่ยวที่ น, นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่ก็พุทโธหยุดกันซะอยากจะกินนูน่นกินนี่อยากจะดืมด่มนู่นดื่มนี่ถ้ายังไม่ถึงเวลากินแม่ถึงเวลาดื่มก็อยากให้มันกินอยาให้มันดื่มเราต้องการหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้มันจะเป็นตัวทําให้เราต้องวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้น ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาคอย ค, ควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้เวลาคิดไม่ดีหยุดมันให้ได้ที่เวลาโกรธใครนี่หยุดมันให้ได้ชด ใ, ด ใ, ไดใช้พุทโธหยุดมันเวลาโกรธใครปั๊บนี่ ร, ททรีพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธถ้าคิดยิ่งคิดยิ่งโกรธถ้าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธ เราด่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ก็ยังโกรธอยู่เนะเราต้องใช้พุโทโธเบรกมันพุโทโธนี่เหมือนเบรครถยนต์เบรคความคิดความคิดไม่ดีต่างๆนี่เราใช้พุโทโธหยุดมันได้เป็นการหยุดชั่วคราวก่อนจะหยุดถาวรนี่ต้องใช้ปัญญาแต่ปัญญานี่มันยากมันซับซ้อนกว่ากว่าสติใช้สติมันง่ายกว่าพุโทโธไปคําเดียว น, นั่นเอง ถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องค้นหาสาเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไรสาเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธอยากให้เขารักเราพอก็ไม่รักเราเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราก็อย่าไปอยากให้เขารักเราคนที่เขาไม่รักเราเราไม่รู้สึกเดือดร้อนคนที่เราไม่มีความอยากใหเขารักเราเขาไม่รักเราเราไม่เไม่เห็นเสียใจไม่เห็นโกรธเลยใช่ไหม แต่พอเราไปอยากให้ใครเขารักเราแล้วก็ไม่รักเรานี่เราก็จะโกรธเข้าขึ้นมาอันนี้เรียกว่าปัญญาต้องค้นหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ไปหยุดสาเหตุอันนั้นพอหยุดสาเหตุอันนั้นได้ความโกรธก็จะหายไปมีอยสองวิธีที่จะรังนับอารมณ์ต่างๆวิธีที่ชั่วคราวเรียกว่าสติวิธีที่ถาวรเรียกว่าปัญญาวิธีชั่วคราวก็เคยใช้ หยุดความคิดใช้สติใช้พุทโธพุธโทโธหยุดความคิดอย่าไปคิดถึงคนที่เรากําลังโกรธพอเราไม่คิดถึงคนที่เราโกรธเรื่องที่เราโกรธเดี๋ยวมันก็หายโกรธอย่างตอนนี้ไม่โกรธใครแล้วใช่ไหมนะพอมันจะคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธใช่ไหมนะถ้าไปคิดเดี๋ยวมันก็โกรธขึ้นมาได้เราต้องหัดสร้างเบรกตอนนี้เราไม่รู้จักเบรกใจเวลาใครเขาโกรธเราแทนที่เราจะ หนีถอยไปหยุดความคิดกลับไปชนกับเขาอีกยิ่งโกรธใหญ่ mm hmm. เขาทําให้เราไม่พอใจก็ไปดา่าเขาไปว่าเขาเขาก็เลยดา่ากลับมันก็ยิ่งโกรธยิ่งเสียใจขึ้นมาใหญ่ mm hmm. เร็วเร็วกว่าที่เราจะตามทันกนะ็เราไม่เคยใช้เบรกก็ปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องมาหัดใช้เบรกเราจะได้ทันมันได้ mm hmm. ถ้าเรามีพิมีพุโทโธแล้วต่อไปเราจะทันอารมณ์ ร, รู้จะเกิดอารมณ์ปุ๊บรู้แล้วกําลังโผล่ขึ้นมาแล้วถอยดีกว่าเบรกดีกว่าพุทโธดีกว่ายอมแพ้ดีกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าไม่ยอมแพ้เดี๋ยวก็ต้องไปตีกันตีกันชนะเขาก็เป็นมารใช่ไหมถ้ายอมแพ้เราไม่ตีกับเขาเราก็เป็นพระฉะนั้นต้องถอยต้องใช้สติหยุดมัน พอ้มีมีปัญหาแล้วอยู่อยู่ต่ออยู่สู้หนั่งกันแล้วจะเป็นเรื่องก็ถอยขอตัวดีกว่าไปขอเข้าห้องน้ำหรือไปไหนก็ได้แล้วก็พุโทโธพุทโธไปทําให้พุโทพโธเดี๋ยวมันดึงกลับไปหาก็อีก <c oughs> <c oughs> พอ <c oughs> ดึงน่างกายออกแล้วก็ต้องดึงใจออกด้วยพุโทโธด้วยสิ่งแรกเลยคือต้องสร้างสติก่อนเราค่อย ไ, <c oughs> ไปนั่ง <c oughs> สมาธิอ <c oughs> พอมีสมาธิแล้วก็จะใช้ปัญญาได้ใช้เหตุใช้ผลได้ ถ้ามีอารมณ์ใช้เหตุใช้ผลไม่ได้มันไม่ยอมฟังใช่ไหจ้าชนะอย่างเดียวเอาแล้วนะคิดว่าชั่วโมงแรกก็ผ่านหมดแล้วเดี๋ยวก็จะให้พรก่อนเผื่อท่านที่มีธุระประปังจะไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องมารอรับพรใครจะอยู่ต่อก็อยู่ได้นะใครจะไปก็ไปได้ เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกชั่วโมงหนึ่งนสี่โมงถ้าไม่เป็นสมาชิกพอเข้าไปหน้าเฟซบุ๊กเขาจะบอกให้สมัครหรือให้ลงบัญชีให้ล็อกอินเราเคยเข้าไปแบบไม่เป็นสมาชิกเขาจะบอกให้ล็อกอินหรือสมัครก่อนต้องต้องล็อกอินก่อนใช่ไหมอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถ้า ถ้ายังไม่ได้ล้องอินแล้วเข้าไปก็จะบอกให้ล้องอินครับก็เข้าได้เลยได้เลยก็จะได้เลยแล้วมันมีอาจารย์แสดงธรรมก็จะขึ้นพิเศษขึ้นเลยขึ้นทันทีเลยตอนนี้ก็ขึ้นได้ลองเปิดดูเลยขึ้นได้ถ้าเรามีสมาชิกอยู่แล้วมันจะเข้าไปได้เลยถ้ายังไม่เป็นสมาชิกเขาจะบอกให้สมัครก่อนอันนี้นัดกันมาหรือเปล่าเนี่ย จะแค่ชวนเลกไปเมื่อเช้ากำลังคิดอรจะไปคาาันหรืจะมาไปไรเป็นตสรอะไรท่านจะไปอินเดียเหรอท่านจะไปทุ่งนี้ทุ่งนี้เดี๋ยวเราวันเสาร์ก็ไปเสาร์ัดเดียวคงจะช่น้องท่านเคดาเคดาเป็นสัพชาวอินเดียท่านเคดาเาตอนนี้เขาอยู่ที่โทรอนโตอยู่แคนาดา เขาบอกเขจะออกเดินทางวันพุธเนี่ยวันนี้เราจะมาอินเดียแล้วเขาก็จะมานิมนต์ให้เราไปเทศให้ญาติโยมที่อินเดียฟังวันเสาร์นนัดวันเสาร์หันอาทิต์เนี่ยก็คงจะคงจะไปที่เดียวกันน้องเพราะภาคเคด้านนี้ก็เป็นรู้สึกเป็นศิษย์พระอาจารย์ตันเนี่ยอ่าที่เดียวกันเคนด้านนี้เขาบวชที่อยู่กับพระอาจารย์ตันมาก่อน เนตอนนี้ท่บอกไปอยู่กับพระอาจารย์นิพนธะเนื้ออาจจะไม่ได้อยู่กับพระอาจารย์ตันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจอาจารย์นิพนธ ท, ท่านอยู่จังหวัดเลยมีอะไรจะถามไหมที่จิตต้องแ่่เหมือนกะไร่บ้านนะฮะเ่ปฏิบัติไม่คยได้สาเร็จไป่า่งันรู้สึกสงบมากใช่ใชก็ต้องเปรี้ยเวกันไง ก็ต้องไปหาที่ที่สงบเนะทีนี้เหมือนด้วยภาระของเราซึ่งทํากับข้าวดูแลลูกดูแลาสามตัวหายใจตุกเลยก็จเหมือนแบทุกคนก็จะต้องช่วยตัวเองบางคนบอกว่าถ้าหนูตีเรียกมาแบบเนี้ยมันอยู่จะทําให้เหมือนหนูบาปเลยทําให้คนที่เคยสบายแนละ้วลำบากนะพ่ครับไม่หรอกจ้ะจะได้ทําให้เขามีบุญเขาจะได้รู้จักพึ่งตนเองเพะสักวันหนึ่งเราก็จะทําไม่ไหวเขาก็ต้องทําเอง ถ้าเราไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสได้ซ้อมทําด้วยตัวเองพอถึงเวลาปลูกปับทําไม่ได้ทําที่เขาจะต้องทําเองเขาอาจจะลําบากได้ด<อ>ังนั้นตอนนี้เราเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสได้ซ้อมบา้างซ้อมพึ่งตนเองแล้วก็บอกเา้าเสเหมือนกับว่าถ้าเราไม่สบายต้องไปนอนโรงพยาบาลเงี้ยเขาจะทําไงกัน<อ>เขาก็ต้องทํากันเองใช่ไหมจะมีคําพูดเหมือนกับถ้าเป็นบุตรชายเนี่ยจะบอกว่า คือหน้าที่ของแม่เนี่ยก็คือต้องทําตลอดแต่บางทีอธิบายว่าเอ๊แต่แม่ก็เหนื่อย เ, เหมือนกันนะแม่ก็ต้องออของักลูกก็จะว่าหน้าที่ของแม่น่ะก็ต้องให้ดีที่สุดบอกว่าแต่ทุกวันนี้แม่ก็ทําเกินร้อยนะลูกเลยอ๋ อ, เ, อ, อเราเราไม่ต้องไปฟังก็หละก็พูดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอ๋อใช่คะ่ะคนมีเหตุมีผลมันต้องรู้ว่าทุกอย่างมันต้องมีวันพักผ่อนมีวันหยุดกันใช่คะ่ะเหตุนั้นคนก็ต้องทํางานกันตลอด24ชั24่วโ ม, มงไม่มีวันหยุดเลยใช่คะ่ะ มันก็ต้องมีเวลามีเวลามีขอบมีเขตคนเราก็ต้องมีวันเหนื่อยมีวันแก่วันเจ็บวันตายเน้นเราต้องเตรียมตัวให้ทันก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนบอกแม่จะไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดนะแม่จะไม่ได้ทำกับข้าวให้ลูกกินมาตลอดต่อไปลูกก็ต้องหาทหากินเองเหมือนกับแม่เมื่อก่อนนี้พ่อแม่ของแม่ก็ หาอาหารมาให้แม่แต่เขาก็ต้องตายจากเราไปเพราะเขาทำไม่ไหวแล้วเราก็ต้องมาทำเองเฉั้น <Okay. S 1> ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือตัวเราเอง <Okay. S 1> อัตตาหิอัตโนนาโถ <Okay. S 1> ถ้าเรามีตัวเราเป็นที่พึ่งแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าตัวเรานี่จะอยู่กับเราไปตลอด <Okay. S 1> ถ้าเราพึ่งตัวเราเองไม่ได้ก็จบเท่านั้นแหละ <Okay. S 1> แต่ไม่ได้แสดงถึงหนูติดในนิวรณ์ใช่มเจ้าคบ ก็คือ <Okay>. ยู่ที่เราว่าเราจะอ้างมันเป็นเหตุหรือเปล่าบางทีมันไม่อยากจะไปเปริกเว่ยเพราะไปเปริกเว่ยมันไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอ่ก็เลยอ้างว่ามีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีอถ้าเป็นข้ออ้างอย่างนี้มันก็เป็นนิวรันคนที่ไปเปริกเว่ยนี้มันจะต้องตัดรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย เอาทีวีไปไม่ได้ควมวเตอร์มือถือนี่ถ้าวัดเข้งเ่งถ้าเป็นวัดเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ใช้หรอใครม า, าต้องฝากเอามือถือเก็บไว้หมดไม่ให้ใช้ใช้แล้วเดี๋ยวมันก็เปิดดูเปิดฟังอะไรต่างๆได้มันก็จะไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญสติเท่าที่ควรแต่นี้มันไม่ใช่วัดของเราเราก็เลยไม่ได้ไปบังคับใครใครจะดูใครจะไม่ดูก็เรื่องของเขาเพียงแต่แนะนำท่านั้นว่า ไม่ดูได้ก็จะดสนกันไปส่งกันไปไปเฟซบุ๊กกันพระจารย์สร้างวัดใหม่เลยดีไ้มพระอาจารย์ตอนนี้สายเกินไปนะใกล้จะตายแล้วเดยตอนนี้เริ่มรับถอยหนังแล้วก็นาน่างมันจะไม่อยู่แล้วยังไงมันอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ พระพุทธเจ้าแปดสิบนี่เราก็หกสิบเก้าก็แค่สิบเอ็ดปีถ้าเท่ากับพุทธเจ้าก็เหลือแค่สิบเอ็ดปีก็จบนะแล้วจะไปสร้างวัดสร้างอะไรสร้างคนดีกว่าตอนนี้ก็เอาหลักสร้างคนเนี่ยเนี่ตอนนี้ได้เผยแพร่ไปทางทางเน็ตทางอะไรนี่มันก็ได้เยอะเนี่ยวันนี้คนมาเท่าไหร่แล้วเข้ามา 80, เท่าไหร่สสม้อยสิบมา <ขอ S 1> ที่ น, <ขอ S 1> นี่มาที่นี่ไม่กี่คนแต่คนที่อยู่ทางบ้านอยู่ทั่วโลกนี่สามร้อยกว่า ถ้าไม่มีตัวนี้ก็สอนได้แค่นี้เมื่อก่อนนี้คนมาแค่นี้ไม่อยากจะพูดเพรพะตอนนี้มีถ่ายทอดสดที่โอ้โหมันมีแรงใจออกมาอ่าจริงๆบางทีบางวันมีคนมาสองสามคนถามว่ามาทำไมจะมาฟังเทศโอยมันไม่มันไม่คุ้มค่าน้ำเกาไฟหลับเหมือนกับใช้หนังอ่ะใช้หนังมีคนมาดูส3งสามคนน่เป็นลองดีกว่าใช่ไอ่า ค่าค่าดูหนังกับค่าน้ำค่าไฟไม่คุ้มกันแล้วก็มักจะบอกว่าถ้าอยากจะฟังเทศต้องมาวันเสราร์อาทิตย์นั้นจะคุ้มหน่อยเพราะปกติเสราร์อาทิตย์คนจะมาเยอะเนี่ยคนมาร้อยสองร้อยคนอาทิตย์เท่านี่มาสามร้อยกว่าคนรถรถนี้ร้อยห้าสิบคันขึ้นมาไม่ได้เขาปิดเขาไม่ให้ขึ้นมาเพราะมันกลัวอันตรายมันไม่มีที่จอดเขาก็เลยให้จอดลงที่ตรงวงเวียนแล้วมีรถ ขอบขึ้นมาสองให้สองคนขึ้นมาแต่ให้จอดรถแถวบริเวณวงเวียนข้างล่างเพราะที่นี่มันเป็นที่ของทางราชการเป็นของกรมป่าไมา้เขากรมอุทยานเจ้าหน้าที่เขาต้องมีความรับผิดชอบถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเขาเดือดร้อนได้เมื่อก่อนนี้ก็เราอยู่กันแบบไม่มีอะไรเพราะว่าคนมาน้อยเมื่อก่อนนี้เข้ามาก็เข้าได้เลยออกไปก็ออกได้เลยเดี๋ยวนี้ต้องแลกบัตรนะ เดี๋ยวนี้ถ้าใครผู้ชายจะมาขอค้างคืนกับพระก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนไปแจ้งให้เขาทราบ ก, ก่อนว่าจะมาขอค้างคืนกับพระปฏิบัติเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องทาเพราะคนน้อยเดี๋ยวนี้เขากลัวเดี๋ยวคนมีคนแปลกหน้าอะไรเข้ามาแปลกปลอมเข้ามาด้วยเพราะวันก่อนมีเวลาเย็นแล้วยังมีญาติโยมหน ง, งอยู่คนสองคนก็เลยตกใจไม่มาจากไหน หลังจากนั้นเขาเลยบอกต้องต้องให้ลงทะเบียนนะอาจจะมาเข้ามาจะมาค้างคืนจะเขาต้องรู้ว่าเป็นใครก็มันก็เปลี่ยนไปตามตามเรื่องตามราวแต่ตอนนี้พอได้มีการถ่ายทอดเรามันรู้สึกว่ามันไม่รู้มันมีกำลังใจมาจากที่ไหน <c oughs> มันก็พูดไปได้เรื่อย นอกจากฟังสดแล้วก็ย้อนหลังได้อดีกครับอาจารย์อย่างวันนี้ก็4 400กว่าครับอาจารย์ที่สามารหลอไอ้ที่เข้าไปดูเช็คดูคนที่เห็นหน้านี่คนที่เห็นวีดีโอนี่บางที 50,000 ในเมื่อวานเนี้ยครั บ, รบแต่เพี่งแต่เขาอาจจะดูแป๊บเดียวดูแค่ตอนที่มันพอเราไปดูนั้นมันก็วิ่งขึ้นมาเลยจนวนนนดูผ่านดูผ่านเป็นเป็นหมื่นคนแต่ที่ที่ดูจบนี่ก็เป็นพันหลายพันใช่มห้าหกพันขึ้นมา คนดูแล้วเขาก็ได้รับประโยชน์เพราะธรรมะปฏิบัตินี่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันสเราอยากจะเป็นธรรมะที่เกิดจากการศึกษากันมากกว่าศึกษาแต่เรื่องปฏิบัตินี่จะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าปฏิบัตินี่มันจะเข้าถึงแก่นเลยเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาเลยถ้ามาฟังนี่เรรู้เลยว่าปัญหาของพวกเราทั้งหมดก็อยู่ที่ความอยากของพวกเราเองแต่ถ้า เป็นการเรียนจากที่อื่นเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องตัวนี้นาะเขาจะพูดทำอย่างนู้นทํำอย่างนี้ อ, อ่าเหตุไม่ได้ค่ะเรื่องสิทธิ้งใจเลยว่าวันนึงคงได้มากราบพระจ้าแล้วก็ทิ้งบาปจริงๆถ้าใครต้องการดับความทุกข์แก้ปัญหาเนี่ยต้องต้องปฏิบัติต้องต้องรู้เหตุของความทุกข์รือเหตุปัญหาของพวกเราว่าอยู่ความอยากของพวกเราเอง มีใครอยากกะถางยังไมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ทางบ้า น, น, นถามได้นะไม่มีลออ เ, เลยอีกข้อคืออะไะอยากทราว่าการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของทุกสมุทยัยที่โลดมรตปฏิจจสมุรปรบาทอะไรพวกนี้ไหมคะก็รู้ให้รู้สิ่งที่ควรจะรู้อริย า, าสตร์สี่นังรู้ทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายใจ เวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บที่ความตายมันก็จะไม่สบายใจทุกก็คือความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสาเหตุสมุทัยก็คือความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นริมรถพออยากดูอยากฟังดมกลิ่นริมรถก็ต้องมีร่างกาย พอมีร่างกายเวลาร่างกายเก่าตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังอยากดูอยากฟังอยู่พอได้ร่างกายอันใหม่มาพอได้เกิดมาก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะมาทุกข์อยู่กับกับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะยังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่งั้นเราต้องหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายหยุดความอยากที่จะดูจะฟังอยาก อยากรูกเสียงกิ่นลดที่เรามาปฏิบัติกันเรามาปีกวิเวกันก็เพื่อที่จะตัดความอยากเหล่านี้ออกไปไม่ให้ดูไม่ให้ฟังให้มาทําใจให้สงบให้มาหาความสุขผ่านทางใจผ่านทางสติไม่ไม่ให้ผ่านทางร่างกายต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย เราต้องรู้ว่าทุก <Stars> ที่เกิดจากความแก่เจ็บตายนี่มันเกิดจากความอยากของเราอยากในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราอยากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกดิ้นกายเราก็ต้องไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือถ้าเราหยุดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ อนี่ทุกสมุทัยคือความอยากนีโลดก็คือการหยุดความทุกข์ดับความทุกข์อย่าให้ความทุกข์ยังจะไม่มีความทุกข์ก็อย่า ก, กลับมาเกิดจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องละความอยากละสมุทยัยเครื่องมือที่จะละสมุทัยก็เรียกว่ามัคมัค ก, ก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยสินสมาธิปัญญาสิ น, นี่เราไม่ได้พูดถึงเพราะคิดว่ามันเรื่องง่ายเข้าใจกัน คนที่จะมาปฏิบัติทํานี้ต้องมีรักษาศีลกันแล้วต้องเป็นศีลแปดด้วยถ้าอยากจะได้ผลดีต้องได้ศีลแปดศีลห้านี่มันกําลังไม่พอมันรถขึ้นเขาถ้ารถธรรมดานี่มันจะขึ้นเขายากถ้ารถโฟล์วิวนี้มันขึ้นง่ายต้องใช้รถที่มีพลังมากคนที่จะภาวนาได้ต้องมีศีลแปดมันง้องมีพลังถ้าศีลห้านี่มั น, มนกําลังไม่พอ ข้อศีลห้ามันหยุดการไปเที่ยวไม่ได้เดี๋ยวต้องมาเลือกระหว่างไปเที่ยวดีหรือไปนั่งสมาธิดีแต่ถ้าถือศีลแปนี่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีทางเลือกมันต้องไปไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ต้องรู้บ้างแต่ไม่ต้องรู้แบบมากมายกายกองรู้แค่นี้ ร, นรู้แค่อนุยาสัจสี่นี่พอแล้วรู้รู้รู้ตัวเฉพาะตั ว, ต, วตัวสาคัญที่จะต้องรู้ก็คือตัวตัณหา ตัวสมุ ท, ทยัยอะไรที่ทําให้เราทุกข์แล้วก็รู้ตัวมรรคอะไรที่จะทําให้เราหายทุกข์รู้สองตัวนี้มรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาตอนนี้เรามีศีลหรือยังรักษาศีลแปลดได้หรือยังนั่งสมาธิได้หรือยังเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือยัง<ม>เช่นร่างกายของเราร่างกายของลูกของขอครอบครัวของพี่น้องไม่เที่ยงทั้งนั้น<ม>ตายทั้งหมดม ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ตัวที่มาครอบครองนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวสามีตัวภรรยาตัวลูกนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาร่างกายของเขาเป็นคนรับใช้เขาเพราะเขามีความอยากใช้ร่างกายหาความสุขเขาก็เลยมาเกิดมามีร่างกาย แต่ตัวเขาไม่ได้เป็นร่างกายตัวเขาเป็นใจใจที่มีตัณหาความอยากที่อยากจะเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องมามีร่างกายแล้วก็มาหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเขาเป็นตัวเรากันพอร่างกายตายไปก็คิดว่าตัวเขาตัวเราตายกันแต่จริงตัวเราตัวเขาไม่มีวันตายใจของพวกเราทุกคนนี่ไม่มีวันตายตายที่ร่างกายเนี่ยคือปัญญา ตอนต้นเราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าก่อนเพราะความรู้อันนี้ไม่มีใครรู้ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบเนี่ยหมือนคนสมัยก่อนเราคิดว่าโลกแบนใช่ไหมแต่มีคนฉลาดก็บอกโลกไม่แบนโลกมันกลมเราก็มาเชื่อเขาก่อนว่าลโลกกลมแล้วต่อมาสมัยนี้เขาก็มีการส่งยานอวกาศขึ้นไปถ่ายภาพโลกนี้ก็เห็นชัดว่าโลกนี้มันกลม เวลานั่งเรือออกไปสุดขอบฟ้าขอบทะเลไม่ไม่ตกออกไปหายออกจากโลกมันก็โค้งต่อไปเรื่อยๆตอนต้นเราไม่รู้เราก็ต้องเชื่อคนรู้ก่อนตอนนี้เรายังไม่เห็นด้วยตาของเราเองเราก็เชื่อพระเจ้าก่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา<ม>เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ<ม>เราเป็นผู้ที่มาสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ที่เราทุกกับร่างกายเพราะเราอยากจะใช้ร่างกายไปเรื่อยๆไม่ให้มันหมดเพราะเรามีความสุขจากการใช้ร่างกายอยากจะดูก็มีตาดูอยากจะฟังก็มีหูฟังแต่ถ้าเกิดหูหนวกตาบอดขึ้นมาก็ทุกข์แล้วอยากจะฆ่าตัวตายคนที่เป็นอามาพึ่อามาพาไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็ไม่อยากจะอยู่ละ พทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์มันไม่ได้ทำตามความอยากได้เราต้องเข้าใจต้องแยกให้ออกว่าร่างกายกับเราไม่ใช่เป็นคนเดียวกันเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะได้ไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้คือปัญญาเนี่ยคือมรรคเนี่ยเราต้องมาสร้างมรรคกันสร้างมรรคด้วยการรักษาศีลแปล ถ้าไม่รักษาศีลแปดจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิเดี๋ยวก็จะไปดูทีวีเดี๋ยวก็จะไปกินเลี้ยงเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันพอถือศีลแแล้วไปไม่ได้แนละ้วต้องอยู่บ้านหรืออยู่วัดเอาข้างนอกไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญสติกันแล้วจะได้พบกับความสุขรูปแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ พอเราพบความสุกกันนี้เราก็เลือกใช้ร่างกายได้เราก็ทิ้งร่างกายได้<ม>เราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เวลาร่างกาย น, นี้ตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปมีร่างใหม่เพราะเรามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีวันจากเราไปก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเลยเกิดจากการนั่งสมาธิแล้วเกิดจากการมีปัญญาคอยทําลายตัวที่มาทําลายความสงบ ตัวที่จะมาทาลายความสงบก็คือความอยากพอเรานั่งสมาธิออกมาถ้าเกิดความอยากนี่มันหายความสงบหายไปแล้วพออยากดืม่มกาแฟนี่มันต้องไปดื่มนะอยู่เฉยๆไม่ได้นะแต่ถ้าไม่มีความอยากก็อยู่เฉยๆไปได้เรื่อยๆพอเกิดมีความอยากจะดื่มกาแฟกินขนมนี่ต้องไปดื่มนะถ้าถ้าอยากจะให้มันสงบต่อไปก็ต้องหยุดความอยาก ก็ต้องใช้ปัญญาหรอกอย่าไปทาเลยทาตามความอยากมันมันสงบเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปกินอยู่เรื่อยๆต้องไปดื่มอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้ดื่มก็ทุกอยู่ดีงั้นยอมทุกตอนนี้ดีกว่ายอมหยุดตอนนี้พอหยุดแล้วตอไปความอยากมันก็จะหมดไปเองแล้วมันจะไม่ทุกคนที่เลิกดื่มกาแฟได้แล้วจะไม่เดือดร้อนคนที่ยังติดกาแฟอยู่นี่ถึงเวลาเอาละเสร็จต้องหานะ คนที่ไม่ติดเขาไม่เดือดร้อนมีกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้มีดื่มก็ได้ไม่มีดื่มก็ได้ีต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ต้องรู้บ้างแล้วก็เนี่ยมาศึกษากับทางภาคปฏิบัติเขาจะสอนเฉพาะเรื่องที่ควรจะรู้เรื่องที่ควรจะปฏิบตัติเรื่องที่ไม่ควรจะรู้รู้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้มันไม่ไม่ได้เป็นตัวสาคัญอะไรอ่ไม่ทางคาถามทางบ้านไ ขอตัดเป็นช่วงสองเลยครับพระอาจารย์เกิดจะชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้ยอดคนชอบนี่ขึ้นพุ่งปวดไปเลยเนยเดียวมาครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นมาไม่ต้องไม่รู้กี่พันนะครับเดือนเดียวหมื่นหมื่นนะครับขึ้นเยอะหมื่นนะใช่ครับคนคนเข้ามาเยอะเพราะก็แชร์กันเยอะครับ แล้วก็เห็นยอดแชร์กันแชร์กันคนที่ไม่เคยเข้าก็เข้ามาดูกันที่สมชายพอ ร, รู้ว่าถ้ามีมีดูถ่ายทอดสดได้ก็เอามาลิมในกรุ่กุ๊ปพวกบริษั ท, ทคนก็จะรู้ ก, รกันแต่มันถึงไปเร็วมันขยายเร็วเดี๋ยวนี้การแพร่ ข, ข่าวสารนี่มันไปได้อย่างรวดเร็ว แตไมนี้ถ้าจะเรียกออกมาชุมนุมกันมา่อไหร่ป๊อเดียวมาไปไปสนามหลวงเนี่ยเวลานี้นะโอ้โหป๊อเดียวไปเต็มหมดเลยครับคำถามจากทาง Facebook l ล v e นะครับคำถามแรกจากคุณพัชรานะครับหลวงตาสอนให้เอาพุทธโทน่ากับจิตข้อที่หนึ่ง หมายถึงให้บริการพุโทโธไปไม่หยุดเพื่อปัดความคิดปรุงแต่งความอยากไม่ให้ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับข้อที่สองเมื่อพุโทโธไปนานๆเหมือนจะเริ่มตึงเปลี่ยนมาพิจารณากายแล้วค่อยพุโทโธต่อได้ไหมคะไม่ควรล่ะควรจะพุโทโธไปเ ร, เรื่อยดีกว่าคือกลัวว่าเดี๋ยวมาพิจารณากายแล้วมันจะคิดเลยเถิดมันจะคิดออกนอกลู่นอกทางไป แล้วมันจะไม่มันจ ะ, ะทําให้ใจฟุ้งขึ้นมาได้แต่ถ้าคิดเฉพาะอยู่กับเรื่องกายจริงๆก็ได้เช่นดูอาการ32สองแทนก็ได้ดูผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่องชื่อไปกนท่องอาการส2สองไปก่อนถ้าท่องนี้ก็แทนพุทธโธได้หรือจะดูเวลาร่างกายตายมีซากศพสิบชนิดให้ดูนึกถึงซากศพสิบชนิดตายสามวันขึ้นเอขึ้นคลอง ถูกแมลงกัดมากกินมีหนอนมีแมลงมากัดมาอะไรทํานองนี้ถ้าดูแบบนี้ดูได้แต่ถ้าดูร่างกายแล้วคิดถึงความสวยความงามแล้วคิดถึงความแก่ที่จะตามมาแล้วทําให้รู้สึกขดขูกใจไม่สบายใจอันนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาละมันทําใหา้ใจเราไม่สงบละถ้าเราพิจารณาแล้วใจสงบได้อยู่ พิจนาเรายอมรับว่าร่างกายเดี๋ยวมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องเหวี่ยมมันต้องใจต้องสงบใจต้องเย็นถ้าคิดแล้วใจไม่สงบใจเริ่มหดหู่ใจเริ่มวิตกกังวลอันนี้ก็ไม่เป็นปัญญาละเป็นกิเลสแล้วคําถามจะคุณเอ๊ะนั่งสมาธิและเดินจงกรมทําไมมันหลุดหิดลาคาญครับเพราะกิเลสไงกิเลสมันไม่ชอบ ท้าไปเดินห้างนี้เดินเป็นชั่วโมงไม่เหนื่อยใช่ไหมเดินมาราธอนนี่เดินได้พอให้เดินจงกรมนี่เดินไม่ได้เพราะมันไม่ได้เห็นลูกเสียงกลิ่นรสเวลาไปเดินตามห้างนี้มันเห็นลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็เพลิดเพลินดังนั้นเวลาเดินจงกรมมันถึงไม่ชอบเดินกันคําถามจากผู้ไม่ประสมออกนามนะครับข้อที่หนึ่ง ขอพระอาจารย์อธิบายซ้ำเมื่อวันก่อนที่ว่าชั้นพรมต้องมีศีลแปดและใจสงบถ้าเป็นพระโสดาบันไม่เสื่อมมาเป็นพรมแล้วแสดงว่าพระโสดาบันต้องถือศีลแปดด้วยหรือถือเพียงศีลห้าได้แต่ต้องละสามอย่างให้ได้คะคือความจริงระดับจิตของพระโสดาบันนี้ยังอยู่ในระดับชั้นเทพอยู่เพราะพระโสดาบันยังเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นลดอย เพียงแต่ว่าเป็นระดับชั้นเทพที่ไม่เสื่อมคือจะไม่ตักไม่ลงไปในอบายไม่เปอย่างมากก็มาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพอยู่เพราะว่าท่านยังตัดการอารมณ์ไม่ได้ยังมีความอยากในลูกเสียงกลิ่นรดอยู่ท่านยังไม่ได้รักษาศีลแปดอย่างจริงจงจังผูงง้ที่จะรักษาศีลแปดอย่างจริงจังอย่างถาวรนี้ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่ จะเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายทำให้ความอยากที่จะเสกกรรมนี้มันหมดไปพอไม่มีความอยากเสกกรรมจิตก็จะขึ้นไปสู่ระดับพรหมทันทีโดยแล้วก็การถือศีลแปก็ถือว่าเป็นการรักษาโดยธรรมชาติไปเพราะคนที่ไม่มีความอยากจะเสกกรรมมันก็มันก็เป็นมีศีลแปโดยอัตโนมัติไปพอเห็นความไม่สวยงามของร่างกาย เห็นร่างกายทีไรก็เหม็นบ้างเห็นแล้วเหมือนเป็นซากศพ บ, บ้างอย่างเงี้ยเห็นตับไตไส้พุงบ้างเห็นโครงกระดูกบ้างมันก็เห็นแล้วมันก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาในร่างกายการอารมณ์ที่อยากจะมีเส็บก็ไม่มีต่อไปอันนี้เป็นขั้นอนาคามีคือการที่จะขึ้นไปชั้นพรมเนี่ยขึ้นไปได้สองแบบไงขึ้นไปด้วยกำลังของสติ ด้วขึ้นไปด้วยกําลังของปัญญาถ้าขึ้นด้วยสติก็ขึ้นไปแบบชั่วคราวอย่างที่เราพุโทโธพุโทโธไปจิตสงบนิ่งจิตก็เป็นฌานฌานนี้ก็เป็นชั้นพรมแต่ละชั้นละ่ะพอกําลังสติอ่อนลงมามันก็เสื่อมไปมันก็กลับมาเป็นเทพเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าขึ้นไปด้วยปัญญานี่มันไม่เสื่อมขึ้นไปด้วยอัศวะนี่มันไม่เสื่อม อมันจะตัดตัวที่จะมาทาให้จิตเสื่อมก็คือตัวกามรมตัวกามาตัณหานี่มันจะถูกตัวอสุภะทำลายไปมันเลยไม่มีตัวอะไรที่จะมาทำให้จิตของพระอนาคามีเสื่อมก็จะเป็นผมถาวรเป็นผมถาวรด้วยปัญญาเป็นผมชั่วคราวด้วยสตินี่คือลักษณะแล้วคนที่จะมี สติเพื่อรักทําให้ใจเป็นเป็นพรมชั่วข่าวก็ต้องมีรักษาศีลแปดทำให้รักษาศีลแปดจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิเวลานั่งถ้าถือศีลห้าเดี๋ยวถึงเวลานั่งสมาธิก็เปิดข่าวดูเปิดละครดูแทนแทนที่จะมาพุโทโธพุโทโธก็ดูข่าวดูละครดูหนังไปหรือเดี๋ยวก็ไปนอนกับแฟนนอนกับสามีนอนกับภรรยามันก็ไม่เข้าไม่ถึงขั้นขั้นฌานได้สักที แต่ถ้าถือศีลแปดมันก็จะไปทำกิจอย่างอื่นไม่ได้ mm hmm. ไปดูดังฟังเพลงไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่รักของตนไม่ได้ mm hmm. ก็จะมีเวลามานั่งสมาธิทำให้ใจเป็นฌานเป็นพรมขึ้นมา mm hmm. อันนี้ก็ต้องมีศีลแปดแล้วก็มีสติแต่เป็นพรมชั่วคราว mm hmm. สมัยก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรู้นี่คนขึ้นไปได้แค่ชั้นพรมชั่วคราว เห็นพระ อ, อาจารย์สองรูปของของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปศึกษาเขาก็เข้าฌานกันได้แต่มันก็เป็นเป็นพรมชั่วคราวเพราะว่าเวลากําลังของฌานหมดมันก็กลับมาเกิดใหม่อย่างอาจารย์ของพระเจ้าสององค์ที่ตายไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็นึกถึงเป็นคนแรกเลยว่าจะเอาสิ่งที่ทรงตัดสั้นนี้ไปสอนใครดีก็คิดถึงอาจารย์สองรูปนี้ว่าท่านเป็นคนที่จะสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ก็ทราบข่าวว่าคนหนึ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วคนหนึ่งตายไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็เลยเสียดายเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้จักวิธีที่จะเป็นพรหมเป็นอหรหันต์ได้อย่างถาวรด้วยปัญญาเขาไม่เห็นอริยสัจสี่เขาไม่รู้ว่าตัวที่ทําให้ใจเขาเสื่อมก็คือตัณหาความอยากของเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวที่จะทําให้ตัณหาหายไปก็คือปัญญาคือการเห็นตายรักเห็นอสุภะ อันนี้ก็เลยทำให้เขาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองลูกนี่ยังต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดอีกพอพลาดจังหวะกันนิดเดียวถ้าตายตายตายชายสักเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ก็จะได้ยินได้ฟังอริยสัจสี่พอได้ฟังปรบบรรลุได้ทันทีเลยเพราะว่าพระปัญจวัคคีย์ที่เป็นลูกศิษย์ติด ต, ตามพุทธเจ้ามานี้พอพุทธเจ้าแสดงอริยสัจสี่ครั้งแรกก็บรรลุกันเลย พระอาจารย์จึงบอกน่าเสียดายที่ว่าพลาดโอกาสอัน ง, งามนี่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติจนกว่าจะพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาสอนอริยสัจสีนี่หรือถ้ากลับมาเกิดในช่วงที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่เช่นไ้้ยังมาเกิดภายในห้าพันปีนี้อยู่นี้ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ก็ยังพอจะได้ยินได้ฟังเรื่องอริยาาสัจสี แล้วคนระดับที่เขามีฌานแล้วนี้เขาจะเข้าใจเขาจะสามารถนำมาไปปฏิบัติได้อย่างทันทีงนั้นการที่เราจะขึ้นไปแบบถาวรนี่ต้องขึ้นด้วยปัญญาขึ้นไปชั้นเทพก็ระดับเทพก็คือระดับโสดาบันสกิดาคามมนี่ยังเป็นยังมีการอารมณ์อยู่ส่วนถ้าอนาคามีนี้ไม่มีการอะก็จะขึ้นไประดับโม แล้วพระอรหันต์ก็จะขึ้นไประดับพระนิพพานสูงกว่าพงษ์คำถามข้อที่สองครับถ้าทําบุญรักษาศีลแล้วไปสวรรค์แต่อธิษฐานขอให้เกิดเป็นมนุษย์เลยจะเป็นไปได้ไหมครัะเห็นมีคําอธิษฐานว่าขอให้ได้ชาติมนุษย์ในกันทีก็ดีจะขอได้ก็ดีเลยขอให้รวยวันนี้แล้วก็รวยมันก็ดีอะมันการขอไม่ได้เป็นเหตุเหตุที่จะทําให้อะไรเป็นผลก็คือการกระทําของเรา แต่เราอยากจะเป็นมนุษย์เราก็อย่าทำบุญอย่าทำบาปหรือทำบุญกับทำบาปให้มันเท่ากันเพราะว่าเวลาตายนี้บุญกับบาปจะมาแย่งใจเราถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงเราไปอาบายถ้าบุญกับบาปเท่ากันสวรรค์ก็ไปไม่ได้อาบายก็ไปไม่ได้ก็กลับมาเกิดมนุษย์ได้ทันทีเป็นบางคนกลับมาแล้วเราลึกชาติได้ว่าจำได้ว่าเคยอยู่ที่นั่นที่นี่มา เพราะเขาไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปอบายเพราะในชาตินี้เขาทำบุญทาบาปพอๆกันถ้าเป็นบัญชีเงินเงินฝากกับเงินกู้ก็เท่ากันไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนไม่ต้องไปใช้หนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องเอาเงินที่กำไรไปเที่ยวมันก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้ทันทีงั้นคนบางคนถ้าเขาทาบุญกับบาปเข้ากันเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ พวเราทุกคนที้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันก็เพราะช่วงที่บุญกับบาปมันมีกําลังเท่ากันเนี่ยแม่ติว่าเราตายไปบุญมีมากกว่ามันก็ดึงเราไปสวรรค์ก่อนพอบุญกําลังน้อยลงมาเท่ากับบาปมันก็ดึงเราไว้ในสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงเราไปอาบายไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์กันใหม่งั้นถ้าอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ทันทีก็ทําบัญชีบุญกับบัญชีบาปไ ว, ว้แล้วดูว่ามันเท่ากันหรืเอเปล่า พึ่มันยากมากใช่ไหมครับพระอาจารย์ได้เพราะมัเราไม่รู้มันแต่ละตัวมันมีราคาเท่าไหร่ไงใช่ไหมศีลห้านี่แต่ละตัวละบาปมันราคาหนักเบาท้าไม่เท่ากันนะสินข้อที่หนึ่งนี่หนักกว่าข้อที่สองนะข้อที่สองหนักกว่าข้อที่สามข้อที่สามหนักกว่าข้อที่สี่อ่าที่เราจะไม่รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่ใช่ไหมหนักกี่กรรมหนักกี่กิโลนี่เราไม่รู้ไม่มีตาช่างพูดกับพื้นดีก็ไม่มีใครอยากทาบาปหรอกครับพระอาจารย์ก็ในเวลาก็เอาทําบุญทำไว้มากกว่าบาปไว้ก็แล้วกัน ก็พยายามรักษาสีหน้าให้ได้แล้วรับรองได้ว่าโอกาสจะไปอาบานี่น้อยมากอาจจะมีพังเผอบ้างอาจจะน้อยอาจจะทํำบาปข้อที่สี่กันใชชอบโกหกกันเป่าไปไหนมาเปล่าแต่อย่าไปฆ้าสัตวอย่าไปรักทรัพย์อย่าไปพฤติผิดโดยนี่ใช่ครับถามได้ครับใช่เลยแล้วก็พยายามใส่บาตรทุกวันทําบุญทุกวันไม่ต้องทํากับพระก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ทํากับพี่กับน้องทํากับคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ทำไปเรื่อยๆรับนอกได้ตายไปบุญจะมากกว่าบาปก็ไม่เป็นไรไปไปสวรรค์ก็ไปเที่ยวดีกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์สิไปเที่ยวโลกโลกทริปดีกว่าไปเที่ยวในเมืองนอกเมืองนาสิก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนไปเที่ยวเมืองโลกทริปก่อนพอบุญหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเหมือนพระเวชสัดนดรนี่ใช่ไห ม, มเวลาตายไปท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ก่อนพอบุญที่ท่านได้หมดลงท่านก็กลับมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธรรัตถะ แล้วก็มามามาเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอาว่ามา ร, รักษาสิงแปดข้อที่ไม่นอนที่นอนนุ่มหนานี่ค่มันยังไงับเป็นที่นอนหมาแต่แข็งได้ไมฮะเกิด <c oughs> อ, อย่างนี้เป้าหมายของการไม่ให้นอนที่พุง่งหนานะเพราะมันสบายกลัวจะนอนมากเกินไปจะทำให้เสียเวลาคือร่างกายเรานี่มันต้องการพักผ่อนประมาณสักสี่ห้าชั่วโมง ถ้ามันเหนื่อยมากๆง่วงมากๆเนี่ยพื้นแข็งแข็งมันก็นอนหลับแต่พอมันพักพอแล้วมันตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้าเรานอนมันฟุกนานาๆที่มันสบายเนี่ยหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาใจมันยังไม่อยากลุกอ่ะบโอ้ยมันสบายมันนุ่มมันก็เลยนอนต่ออีกสีห้าชั่วโมงก็เลยเสียเวลาแทนที่เอาเวลาที่นอนเนี่ยไปภาวนาก็ไม่ได้ภาวนาเท่านั้นเอง ฉะนั้นจะนอนอยแบบไหนก็ได้ถ้านอนไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็ใช้ได้ถ้านอนเป็นพุ่งหนาๆแล้วพอตื่นขึ้นมาร่างกายตื่นขึ้นมาปั๊บแล้วลุกขึ้นมาไม่นอนต่อก็ได้ก้าเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ให้เรานอนมากเกินไปให้นอนเพื่อร่างกายแ ต, แต่อย่าไปนอนเพื่อใจอย่าไปนอนเพื่อตั้หาความอยากสบายให้มาความสบายทางใจดีกว่ามาสบายจากการนั่งสมาธิดีกว่า ดีกว่าความสบายจากการนอนบนฟูกหนาๆท่านั้นเองอย่างถ้าจะต้องมีฟูกบ้างมีอะไรบ้างบางทีพื้นมันเย็นนี่นอนแล้วมันเป็นไข้ไม่สบายนีย่ก็มีฟูกขนาดนี้นอนพอไม่ให้มันไม่ให้ร่างกายมันเย็นแล้วมันเป็นไข้ได้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ห้ามอย่างี้แต่ต้องดูว่านอนมากนอนน้อยถ่านถึงมีวิวธีแก้าการนอนมากอย่างวิธีนึงก็คือให้ถือเนสัตชิกเลย คือให้ถือสามวิริยาบทให้ถือท่ายืนท่านั่งกับท่าเดินเท่านั้นเองจะไม่ถือท่านอนทั้งง่วงก็ให้มันหลับในท่าใดท่าหนึ่งท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้มันจะได้หลับไม่นานไงถ้านั่งอย่างนี้หลับก็อย่างมากก็ชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ตื่นแล้วจะได้ภาวนาต่อนั่นคือเป้าหมายของการเรื่องของการนอนบนบนบนบนฟูกไม่ให้นอนเพราะกลัวจะนอนมากเกินไป ใยสมัยนี้คนบางทีตั้งนาฬิกาปลุกยังมีตัวที่ให้ต่อได้ปลุกแล้วเดี๋ยวต่อยข้านาทีถามมาคำถามข้อต่อไปจากคุณวีรพรนะครับการที่เราโกรธจากได้ยินคำพูดและเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่แสดงอาการไม่ชอบออกมา แต่ยังมีความรู้สึกหน่วงๆในใจพยายามดึงสติกลับมาพร้อมพิจารณาความตายมันก็เบาขึ้นแต่ยังไม่หายควรจะทําอย่างไรพิจารณาแบบไหนให้สามารถวางเฉยกับสิ่งที่ไม่ชอบได้อย่างถาวรเพราะเจอทีไรมีปัญหาแทบทุกครั้งก็เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราชอบเนีอมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราชอบเราก็ไม่สบายใจไม่พอใจเพราะเราต้องหยุดความอยากของเราที่อยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราชอบ ถ้าเราไม่ได้ไปมีความอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราชอบแล้วก็เป็นยังไงเราก็จะไม่เราก็จะไม่โกรธเขาความปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราบางทีอยากให้คนเขาสแสดงมารยาทดีอย่างเงี้ยพอเขาไม่มีมารยาทก็ไปโกรธเขาล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าคนเรานี่มันเหมือนผลไม้เข้าใจไหมผลไม้มันมีหลายชนิดบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นสับประรดบางคนก็เป็นทุเรียน เราจะไปให้เขาเป็นเขาเป็นทุเรียนเราจะให้เขาเป็นเป็นกล้วยเี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องยอมรั้ว่าคนนี้มันเป็นอย่างเนี้นิสัยมันอย่างเนี้ก็ปล่อยวางเขาเท่า น, นั้นเองอย่าไปอยากให้เขาเป็นตามมาตรฐานที่เราต้องการให้เขาเป็นแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการกระทําของเขาข้อสองแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้มักจะมีคนสอนว่าให้เมตตาแต่ในเมื่ออยู่ระหว่างโกรธไม่พอใจจะทําใจให้เมตตาได้อย่างไร อย่างว่าถ้าเราไม่ไม่มีเมตตาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะใช้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะใช้เมตตาเราก็ต้องฝึกสร้างเมตตาขึ้นมาเวลาใครทำอะไรให้ไม่พอใจเราก็ให้อภัยเขาถ้าเราให้อภัยเขาได้แล้วก็แสดงว่าเรามีเมตตาพอใครมาทำให้เราโกรธเราก็ใช้เมตตาได้แต่ถ้าเราไม่มีเมตตาก็ใช้ไม่ได้ไม่มีปัญญาก็ใช้ไม่ได้ ก็ต้องใช้สติตัวเดียวไปก่อนถ้าไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องทุกไปอย่างเดียวยั <c oughs> งต้องสร้างขึ้นมาทำเหล่านี้พระเจ้าถึงสอนให้สร้างขึ้นมาให้สร้างเมตตาเพื่อดับความโกรธ <c oughs> หรือให้สร้างปัญญาก็ได้หรือให้สร้างสติก็ได้ทำเหล่านี้สามารถที่จะระ ง, งับความโกรธได้แต่ระ ง, งับได้ไม่ไม่มากมากน้อยไม่เท่ากันสตินี้ระ ง, งับได้ชั่วคราว ปัญญานี้ละงับได้อย่างถาวรความเมตตานี้ก็ลงับได้อย่างถาวรถ้าเราให้ความเมตตาให้ภัยกับคนทุกคนเราจะไม่เราจะไม่รู้สึกโกรธใครข้อที่สามเป็นคนทิฏฐิแรงประเภทฆ่าได้แต่ยงไม่ได้ทําอย่างไรถึงจะลดทิฏฐิมานะกลายเป็นคนฆ่าก็ได้อย่างก็ได้ <laughs> ก็ต้องทําตัวให้เป็นภ้าคีริ้วไงทำตัวให้เป็นเหมือนปตัตภีใครจะเหยียบย่ำก็ ปัตตาพีไม่เดือดร้อนใช่ไหมพื้นดินนี่ใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจาอุดจะลาปัตสวะใสใครจะเอาสอบเอาจอบเอาเสียงไปขุดไปแทงมันไม่เดือดร้อนใจเราต้องเป็นแบบนั้นต้องทําตัวเราให้เป็นแบบปัตตาพีให้ต่ําที่สุดให้ต่ําต้อยที่สุดอย่าถือตัวอย่าถือว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนมีระดับนั้นระดับนี้มีฐ า, นะานะนั้นฐานะนี้อันนี้เป็นเป็นสมมุติมันเป็นตัวไม่ใช่ตัวจริงแท้ ตัวจริงแท้ของเราคือตัวรู้ถ้าเรารู้เฉยๆเราก็จะเป็นเหมือนปัตตภีให้รับรู้เฉยๆใครด่าก็รู้ว่าเ้าด่าใครชมก็รู้ว่าเขาชมแต่อย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เขาแสดงมาเท่านั้นเองเราก็จะสามารถที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดการที่จะรู้เฉยๆได้ก็ต้องฝึกสมาธินี่แหละเพราะเวลาจิตสงบแล้วจิตจะเป็นอุบเบกขาจะรู้เฉยๆจะไม่รับไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ใครจะพูอะไรก็ไม่หลงกับคําพูดของเขาใครแสดงอะไรก็ไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่กลัวกาพยายามฝึกสมาธิให้มากๆฝึกสติให้มากๆแล้วใจของเรานี้จะเป็นเหมือนปัตภีขึ้นมาเป็นเหมือนแผ่นดิน ใ, ใครจะทวูดใครจะทําอะไรนี้จะไม่เดือดร้อนคําถามจะคุณปั้านปอนะครับกําหนดพุโทโธในชีวิตประจำวันตรงกลางอกระหว่างเห็นอารมณ์อื่น แต่ไม่ได้ปรุงแต่งมันพอพุโทโธกลับมาก็จะกําหนดพุดโทโธใหม่สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆมาถูกทางใหม่ครับก็ถ้ายังมีพุโทโธอยู่ก็ยังถูกอยู่ถ้าไม่มีพุโทโธเนี่เราย่างใจยังไม่สงบยังมีอารมณ์ยังมีอะไรต่างๆนี้ก็แสดงว่าหลงทางแล้วบางทีนั่งไปแล้วมีอะไรปรากฏให้รับรู้ ก, ก็เป็นรู้ต่างไม่ได้อยู่กับพุโทโธใจก็จะไม่มีวันสงบแล้วอ า, อาจจะไปหลงกับสิ่งที่ไปตามรู้ก็ได้ คิดว่าไปถึงสวรรค์แล้วคิดว่าไปเจอเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าหลงละการนั่งสมาธินี้ไม่ได้มาเปลี่ยนตัวเราให้เป็นนั่นเป็นนี่การนั่งสมาธินี้ก็ทําใจให้เราสงบให้เป็นอุเบกขาให้เราพบกับตัวทีตัวจริงตัวจริงที่แท้จริงของเราก็คือตัวรู้ถ้าจิตสงบแล้วจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเราจะรู้ว่านี่แหละคือตัวเราอยู่ตรงนี้เเราออกมาจากตัวรู้นี้ ความคิดนี่แหละเป็นตัวสร้างตัวเราขึ้นมาพอเราคิดปับ๊บมันก็มีเราเลยใช่ไหมแล้วก็จำความคิดนี้ว่าเป็นเราไปจำความคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงมันเป็นแค่ความคิดพอหยุดความคิดตัวเราก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเราก็จะรู้ว่าตัวตัวจริงแท้จริงของเราก็คือตัวรู้แล้ววิธีที่เราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่เดือดร้อนก็อยู่แบบตัวรู้ คือให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆใครพูดอะไรใครทาอะไรก็รู้เฉยๆไปใครด่าก็รู้ว่าเขาด่าใครชมก็รู้ว่าเขาชมแต่ไม่มีความปรุงแต่งไปดีใจเสียใจกับคำชมคำด่าของเขานี่คือผลจากการนั่งสมาธิแล้วต้องการตัวนี้ตัวรู้ตัวว่างตัวตัวที่เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆถ้ายังไปรู้ น, นู่นรู้นี่แสดงว่าหลงละ ถึงแม้่จะเป็นความรู้จริงเช่นไปอ่านใจของคนนู้นคนนี้ได้คนนั้นกำลังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปรู้เขาเพราะกระแสะจิตของเขานี่ก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ส่งออกไปทางอากาศถ้าใครมีกำลังที่จะเข้าไปรับกระแสะขึ้นเขาได้ก็รับรู้ได้ว่าเ้ากำลังคิดอะไรอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ไม่มีประโยชน์กับการดับความทุกข์ แต่เป็นความรู้พิเศษจริงคนที่มีตาที่ผู้ที่ระลึกชาติได้ เ, เห็นสวรรค์เห็นนรกนี่ก็เป็นความรู้จริงจแต่มันไม่เป็นตัวที่จะมาดับความทุกข์ของเราได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้ไตัวที่จะช่วยให้เราหยุดได้ก็คือตัวว่างเนี่ยตัวสักแต่ว่ารู้เนี่ยที่เราต้องการคาถามจากคุณวิชัยนะครับ ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับขณะนั่งสมาธิมีภาพปุดขึ้นทั้งดีและไม่ดีแต่ยังมีสติมากพอที่จะกำหนดพุดโทโธที่ลมหายใจผมควรเปลี่ยนบทบริกรรมหรือควรทำอย่างไรครับถ้าเราอยู่กับบทบริกรรมที่เราใช้อยู่ได้ก็ใช้ต่อไปอย่าไปสนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏมาให้รับรู้ถ้าเรายังอยู่กับพุโทโธได้ก็อยู่พุโทโธไปคำถามจากคุณพินแคนนะครับ ทำงานพบเจอแต่ความทุกข์เจ็บป่วยของคนไข้เขากราบเรียนถามว่าจะวางใจขณะใจเหนื่อยล้าทางโลกอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็ ไ, <Public Sur gery> ไปนั่งสมาธิซะทาใจให้สงบแล้วก็จะหายเราไปแบกมันเองเราไปทิศปรุงแต่งมันเองถ้าเรามีสมาธิหรือมีปัญญาเราก็จะไม่แบกเราก็จะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของรง่างกายของทุกคน goals, เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เราเหนื่อยเพราะเราอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครห้ามได้แล้วบางทีเราต้องห้ามใจห้ามความอยากของเราอยากไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยคําถามจากคุณอัจพร น, นะครับมีสองคำถามแต่จะรวมเป็นหนึ่งคำถามนะครับขอทราบอันิสง์ของการสร้างพระประธานแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวเจ้าค่ะอันิสง์ของการถวายที่ดิน สร้างสถานปฏิบัติธรรมสร้างกุฏิสงฆ์ถวายรถยนต์ให้วัดมันก็เป็นเรียกว่าวัตถุทานือเป็นการให้เข้าของเพื่อประโยชน์ของสงฆ์ของศาสนาถ้าวัดไม่มีพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปถวายไว้มันก็ดีเพราะจะได้มีที่เป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเพราะเราถือพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราเป็นศาสดาของพวกเราเราก็อยากจะกราบไหว้ท่าน ถ้าไม่มีพุะธรูปเราก็ไม่รู้จะไปกราบที่ไหนเราก็สร้างพุทธรูปขึ้นมามันก็ดีแต่ถ้ามีอยู่แล้วสิบรูปยังมาสร้างกันอีกนีมันก็เกะกะเปล่าๆเอาไปสร้างอย่างอื่นดีกว่าที่มันขาดแคลนเช่นถ้าขาดแคลนที่ดินไม่ที่ดินไม่มีที่ปฏิบัติธรรมพอก็ไปซื้อที่ดินขยายเพิ่มที่ดินเพื่อจะได้ปลูกที่พักอาศัยให้ผู้ที่มาปฏิบัติมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น อันนี้จะมีประโยชน์กว่าถ้าเรามีพระพุทธรูปพอเพียงแล้ววัดหนึ่งมีรูปมีพระพุทธรูปองเดียวก็พอแล้ว<ม>ที่นี่ก็มีองค์เดียวแล้วองค์อื่นเขาก็ถวายมาก็ตั้งไปกยันนามาถวายมากกว่า น, นี้ก็มไม่เอาแล้วไม่มีที่ตั้งใครให้มาก็เอาไปให้กับที่อื่นไปให้กับวัดอื่นไปที่นี่พอมีไว้สําหรับความจําเป็นพอกับความจําเป็นก็พอแล้ว สู้เอาไปทําอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ดีกว่าถ้าที่ไหนเขาขาดที่ดินขาดกุฏินี่ก็ไปสร้างกุฏิไปซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อจะได้มีที่ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นสถานที่ปฏิบัตินี้สําคัญกว่าการมีพระพุทธรูปเพราะพระพุทธรูปไม่สามารถทําให้เราบรรลุธรรมได้ตอนที่เราจะบรรลุธรรมได้นี่ต้องมีสถานที่ปฏิบัติทําแท้จริงไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปนะทำแท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติ เวลาเราปฏิบัติแล้วธรรมจะปรากฏขึ้นมาในใจของเราแล้วนั่นแหละเราธรรมที่เราเห็นนั่นแหละจะเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นตถาคตนี้จะต้องเห็นธรรมนั้นถ้าเราอยากจะเจอตัวจริงของพระพุทธเจ้านี้เราต้องปฏิบัติธรรมพอเราบรรลุขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันนี้เราก็จะเห็นเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือใครกันนะพระพุทธเจ้าก็คือคนที่มาสอนอรยิยสัจสีให้กับพวกเรานี้ยฉนั้นถ้าอยากจะเจอพระพุทธเจ้าจริงๆนี้ไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องสร้างพระพุทธรูปขึ้นนะพระพุทธรูปนี่ก็คือคนหูหนวกตาบอดสร้างกันขึ้นมาเองเลยนะคนที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้จะมาสร้างพระพุทธรูปให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ยังไง เราก็ยังไม่รู้ว่านหน้าตาของพระเจ้ า, าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่เราก็เอา้าเขาสร้างมาแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบไปที่เรากล่าวนี่เราไม่ได้กา ร, ร, นะร า, กาบพระพุทธรูปนะเรากราบพระพุทธเจ้าเราลึกถึงตัวพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษามาแล้วเราก็กราบคนนั้นแหละแต่ยังไม่ใช่เป็นคนที่เราจะเห็นได้อย่างแท้จริงคนพระพุทธเจ้าที่เราจะเห็นได้อย่างแท้จริงนี่จะเห็นตอนที่เรามารนุธรรม พอจิตเราสงบจิตเราดับกิเลสได้เห็นอริยสัจสี่ปั๊บนี้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าเลยอ๋อนี่แหละของจริงเนี่ยอริยสัจสี่นี้เป็นของจริงคนที่สอนนี้ต้องเป็นของจริงถ้ามีอริยสัจสี่ก็ต้องมีคนสอนก็จะเลยรู้ว่าอ๋อมีพระพุทธเจ้าแล้วไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปพระผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมก็คือพระสงฆ์นี่ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือใครก็คือผู้ที่บรรลุธรรมในขณะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาพร้อมกันเลยเวลาที่เรามีดวงตาเห็นธรรมเราจะรู้ว่าอ๋อทีนี้เราเป็นพระอริยสงฆ์แล้วเราได้ล ะ, ะสกายาทิฏฐิได้แล้วเราไม่เราละศีลพัตตาปรมาได้แล้วเราละวิจิตกิจฉาได้แล้วเราไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว เราไม่ปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะปฏิบัติแต่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เท่านั้นเรื่องอย่างอื่นนี้เป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นอยากให้ชีวิตจเจริญงุ่งเรืองก็เลยไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนทรงผมไปทำพิธออีอะไรต่างๆไปไหวน้นู่นไหว้นี่ไหว้ต้นไม้ไหว ภูเขาว่าอะไรกีปาทะการกระทำเหล่า น, นี้เป็นการกระทาที่ไม่ได้เกิดผลอะไรให้ทำตามที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนให้ทำบุญในในในศาสนาพุทธมีอยู่สิบประการเช่นทำทานรักษาศิงภาวนาอุทิศบุญอนุโมทนาบุญฟังเทศฟังธรรมรับใช้ผู้อื่น แจกธรรมมาให้แก่ผู้อื่นท ร, รมาทานการกระทำบุญเหล่านี้แหละจะทาให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นไม่ใช่ไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนนามสกุลไปเปลี่ยนทรงผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าการเปลี่ยนเหล่านี้มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่ที่แท้จริงเปลี่ยนไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมคนที่ชื่อดีๆนี่ติดคุกเยอะแ ย, ะยะไปนะ ชื่อดีชื่อบุญชื่อเจริญนี่ไปดูเลยเนีน่มีหมด อ, อยู่ที่การกระทำของเราเนะี่ยคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็จะดีเองให้เป็นความคิดการพูดการกระทำของเราให้ไปในทิศทางที่ดีก็คือทาบุญละบาปชำระกิเลส ท, ทันหาให้หมดไปจากใจแล้วจะคิดดีพูดดีทำดีตลอดอ่ะต่อไป คำ ถ, ถามจะคุณนามีความสงสัยว่าบนสวรรค์จะมีฟังเทศทําบุญใหม่เจ้าคะหรือต้องกินบุญเก่าจนหมดมีทเทวดาบางทีก็ไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีท่าอรหันที่สามารถติดต่อกับทเทวดาได้ก็จะมีการแสดงธรรมแต่ทเทวดานี้ก็ต้องเป็นพวกฝ่ายบุญนะเทวดานี้มันก็มีสองพวกพวกที่เป็นพวกชอบเที่ยวกับพวกที่ชอบเข้าวัดพวกชอบเที่ยวก็จะไปหาความสุขกับ รูปทิฟเสียงทิฟกลิ่นทิฟต่างๆพวกที่ชอบธรรมะพอได้ข่าวว่ามีการแสดงธรรมที่ไหนเขาก็จะไปกันต้องมีพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ถึงจะมีการฟั่งเทศธรรมธรรมได้คําถามจากคุณน้ำมนนะครับเจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหมคะที่เขาพูดเกิดว่าเจ้ากรรมนายเวรตามเจอจะมาเอาชีวิตเรามีจริงไหมคะก็คนที่เราไปทําให้เขาโกรธเกลียดเราเนี่ยแหละ ถแม้เราไปด่าใคร เ, เดียเขาก็ตามมาด่าเราเราไปขโมยเงินใครเขาเดี๋ยวก็ตามมาเอาคืนเราไปฆ่าใครเดี๋ยวพี่น้องเขาคนที่เขาเสียหายเขาก็ตามฆ่าเรานี่แหละก็คือเจ้ากรรมในเวรเขาตามเราไม่ทันชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าเจอกันเขาก็เอาเราได้กลรมันไม่หมดนะเฉพาะถ้าเราตายไปแล้วเดี๋ยวชาติหน้ามันตามกันต่อได้เทวทัตตามมาล้งมา มามาเอาเอาเวนเอากรรมของพุทธเจ้าจองเวนจองกรรมของพุทธเจ้าฉั้นถ้าไม่อยากจะมีเวนมีกรรมก็อย่าไปทำทากรรมกันอย่าไปทำบาปถ้าเราไม่ไปทัางความเสียหายแก่ให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่มายุ่งกับเราเหรอกที่ก็ามายุ่งกับเราเพราะเราไปทำให้เขาเสียหายทำให้เขาเดือดร้อนเขาเลยต้องมายุ่งกับเราคำถามจากคุณลาดานะครับ การที่พ่อแม่และคนในครอบครัวเชื่อและนับถือบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้มีสิ่งพิเศษสื่อกับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งตัวเราคิดว่าไม่จริงความขัดแย้งนี้ถือว่าเป็นความผิดไหมคะคือเราต้องยอมรับว่าคนเรามีความเห็นไม่เหมือนกันเป็นปกติเพราะระดับสติปัญญาของแต่ละคนนี้มันไม่เท่ากันเนี่นเราก็ต้องทคทางว่าใจว่าเราไปไปเปลี่ยนความคิดความเห็นเขาไม่ได้หรอก เขาก็มาเปลี่ยนความคิดกวามเป็นขอาไม่ได้วิธีที่เราจ ะ, ะอยู่ร่วมกันอย่างอย่างไม่มีปัญหาก็คือเราต้องสมรสส่วนต่างใช่ไหมให้ประสานส่วนเหมือนเข้าใจไหมส่วนต่างก็คือถ้าเรามีความเห็นไม่ตรงกันก็อย้อเรื่องที่เราไม่เห็นตรงกันมาเถียงกันเถียงกันไปแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเอาเรื่องที่เราเห็นตรงกันมาพูดกันดีกว่าถ้าเชื่อเรื่องไหนเชื่อเรื่องเดียวกันมาพูดกันมันก็จะไม่มีปัญหาอะไร เราเช่อมามาพูดเรื่องที่เราไม่เชื่อกันเนี่พูดไปแล้วก็เหนื่อยปล่าๆเขาก็อยากจะให้เราเชื่อเขาเขาเราก็อยากให้เขาเชื่อเราแล้วเราก็ไม่เชื่อเราเขาไม่เราไม่เชื่อเขาเขาก็โกรธเราก็โกรธยันต้องสมควนส่วนต่างอย่าพูดถึงเรื่องที่มันไม่มีความเห็นที่ตรงกันเอาเรื่องที่มีความเห็นที่ตรงกันมาพูดมาทํากันดีกว่าคําถามจะคุณอนนบ เงินปัจจัยที่ญาติโยมนําถวายแด่พระพิสูจน์สงแล้วนั้นพระพิสูจน์สงนําไปส่งเคราะ์ญาติพี่น้องในครอบครัวนั้นผิดพระวินัยหรือผิดศีลหรือไม่ครับแม้พระพิสูจน์สงนั้นไม่จับเงินแต่สั่งให้โยมอุปถัมนําไปให้ถ้าเป็นเงินที่ถวายเจาะจงให้กับท่านโดยตรงนี้ท่านเอาไปใช้กับใครก็ได้ให้ใครก็ได้ถ้าเป็นของวัดนี้เอาไปไม่ได้ถ้าเป็นของส่วนกลางนี้ต้องขออนุ ญ, ญาตจากทางวัดก่อน ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นของส่นวัดก็ไม่มีภาพรูปนะจะมาข อ, อาไปใช้ส่วนตัวแต่ถ้าถวายเป็นการส่วนตัวนี่ท่านก็สามารถที่จะไปใช้อย่างไรก็ได้แต่ก็ควรจะใช้ให้มันมีเหตุมีผลไม่ใช่ไปเที่ยวกันไปซื้อบุหรี่สูบไปอะไรกันไปจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงมันเกิดกันอะไรนีน <c oughs> นเงินทองที่ญาโยมถวายนี้ส่วนใหญ่ท่เาจะพูดว่าสัมมนบริโภคสิ่งที่สัมมคนควรบริโภค ก, ก็มีอยู่ส คืออาหารบิณทบาท <Okay. S 1> จีวรยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ก็เอาเงินที่ก็ถวานนี้เอาไปใช้ได้หรือว่าถ้ามาเผยแผ่ธรรมเนี่ยก็ถวานเงินเพื่อที่จะมาซื้อกล้องซื้ออะไรนี้ก็เอามาถ้ามันมีเหตุมีผลเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับศาสนาได้ก็เอาไปใช้ได้หรือถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เดือดร้อนไม่มีข่ากินนี่ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ อันนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตแม้แต่อาหารบิณฑบาตนี่ปกติท่านห้ามไม่ให้เอาไปให้ใครต้องเอามาแบ่งกับสงก่อนแต่ถ้าสำหรับพ่อแม่นี้ท่านอนุญาตให้แยกให้เอาแบ่งไปให้เลี้ยงพ่อแม่ก่อนได้เพราะท่านถือว่าพ่อแม่นี้มีพระคุณกับลูกมากอันนี้คําถามจากคุณเพียวนะครับหลังทําบุญจําเป็นต้องกวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหม่คะ่ะ ถ้าไม่ได้ขวดน้ำญาติผู้ล่วงรับจะได้รับส่วนที่เราอุทิศให้หรือไม่คือการอุทิศบุญนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําถ้าไม่มีน้ําก็ยังอุทิศบุญได้เพราะบุญไม่ใช่น้ําน้ําไม่ใช่บุญนี่ก็ใช้น้ําเพื่อเป็นตัวอย่างให้ให้สมมติว่าเนี่ยบุญนี้เป็นเหมือนน้ําเวลาเราเทน้ําลงไปเหมือนกันเราเราเทบุญไปให้กับผู้ที่รอรับอยู่แล้วการอุทิศบุญนี้ต้องอุทิศถึงผู้ที่รอรับถึงจะรับได้เหมือนกับการ ส่งเงินไปเนี่ยถ้าเราไม่ส่งเงินไปคนรับก็รับไม่ได้แล้วเวลาส่งเงินไปเราก็ต้องเขียนชื่อผู้รับด้วยว่าจะเป็นใครเช่นเราอยากจะส่งให้คนนั้นคนนี้เราก็ต้องอุดกล่าวชื่อเขาถ้าเราอยากจะให้แบบไม่แบบใครก็ได้แล้วก็บอกก็ให้สรรับประศัสไปใครรอรับอยู่ใครมาก่อนก็เอาไปก่อนต้องกล่าวต้องกําหนดแต่ไม่ต้องใช้น้ํา ให้ใจเราเนี่ยอธิษฐานอยู่ภายในใจของเราว่าวันนี้เขาอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ไปชื่อด้านชื่อนี้ไปหรือถ้าเขาไม่รอรับก็ให้กับสัรวสัตว์ไปอย่างนี้ก็ได้ต้องต้องจับจัดหวะเวลาไหมคะว่าจะอุทิศส่วนไหนหรือว่าพอใส่บาตรเสร็จแล้วจบหรือสมได้เลยคือบุญนี้มันเป็นความสุขใจที่เราทํามันจะเกิดขึ้นในขณะที่เราทํา ถ้าเราลืมถ้าเราไปทําเรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวอารมณ์ขุนวัวมันจะเข้ามากบเรามันจะหาบุญที่เราทําไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนงั้รีบอุทิศเสียตอนที่เรากําลังทําเสร็จใหม่ๆอ๋อคือหมายถึงว่าพอพอถวายอ่าขอให้เอ่าเดี๋ยวตอนอ่าอุทิศส่วนกุศลตอนนั้นเลยใช่ไหอได้เอ่างั้นเดี๋ยวเราไปโกรธใครเกลียดใครขึ้นมาไอ้ความรู้สึกดีอันนี้มันหายไปมันไม่หายแต่มันถูกไอ้ความไม่ดีมากบไว้ แต่ถ้าตอนเย็นๆนอนข้าๆเรานึกถึงบุญที่เราทําเมื่อตอนเช้าได้แล้วมีความสุขใจเรายังไม่อุทิศเราก็อุทิศได้เหมือนกันแต่มตอเอ่ยชื่อคนที่เราจะอุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้ด้วยชใช่ถ้าเราต้องเจาะจงถ้าเราไม่เจาะจงเราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วอยากเป็นโยมพ่อโยมแม่นี่ต้องระบุระบุชื่อด้วย พ, พ่อก็ได้พ่อก็ได้แม่ก็ได้แค่นี้ก็พอไม่ต้องนําสกุลก็ได้เขารู้กัน ก็รูพ่อเพราะว่าบางทีบางทีฟังมาว่าให้อาบุชื่อนามสุณเพราะว่าชื่อเป็นเป็นหมื่นเป็นพันคนก็ได้ถ้าถ้าให้มันแน่นอนก็เอาชื่อเลยก็ได้เพราะเรามีพ่อแม่หลายคนไงเราเกิดมาหลายภพหลายชาติน่่พอแม่แล้วแล้วจำเป็นไหมคะว่าจ้างสมมุติเราทําอดีตส่วนให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องแล้วคือบางบางบางทีไปอ่านเจอครับอกว่าต้องให้เจ้ากรรมในเวรเราด้วยอันนี้คือสงสัยมาก ก็ได้แต่มันก็มันก็ต้องแบ่งกันไปไงถ้าให้คนเดียวมันก็คนเดียวรับไปหมดถ้าให้สิบคนมันก็ต้องหารสิบคือเราสามารถแบ่งได้หมดที่เราแม้แต่กระทั่งตัวเราเหมือนมรดกที่เราจะให้ลูกหลานคนเนี้ยเราก็ต้องกําหนดว่าจะให้ใครบ้างให้คนนั้นเท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่แต่ทุกคนจะได้ไม่เท่ากันหรือได้เท่ากันกกแล้วแต่ที่เราจะกําหนดไงคือเกิชื่อมาคนแรกก็คือได้มากหลายไม่หรอกก็ไม่แน่ถ้าถ้า คนแรกไม่ได้มาเขาจะได้ได้มากมากถ้าสิบคนเราเอ่ยชื่อสิบคนนี้สิบคนก็ก็ไปแบ่งกันครับอาจารย์ครับขอแชร์หน่อยครับอาจารย์ตอนนี้ผมใช้การกําหนดโดยกําหนดใช้คําว่าทุกท่านมารับโดยเท่าเทียมกันอแล้วก็ขอให้ทุกคนมีปัญญาในการอนุโมทนาบุญจากที่ส่งไปจะได้ไหมครับอาจารย์ถ้ากําหนดแบบนี้ครับคือเรื่องขอให้เขามีปัญญาในคนละเรื่องนะขอะไม่ได้ใช่ไ้มครับใ ห, ให้ได้อย่างเดียวก็คือ ความอิ่มใจที่เกิดจากการทำทานมันเป็นเหมือนอาหารใจของของเขาเขาไม่มีเขาขาดเวลาเขาอยู่ในโลกนี้เขาลืมทำบุญพ mm hmm. อไปใจเขาเลยขาดความอิ่มใจสุขใจเขาเลยต้องขอความอิ่มใจสุขใจจากเราตอนที่เราได้ทำบุญมาเราก็จะแบ่งความสุขใจอิ่มใจไปให้กับเขาไดถ้ถ้าเราไม่บอกว่าต้องเท่ากันนีจ้จะเป็นไง ก็ไม่ร um ู mm. ้เหมือนกันหล่ะบอกก็ได้แต่คือถ uh um ้าไม่ถ้าไม่บอกก็ก็อีกเนี้ยคืออีกอย่างก็คือเราอย่าไปคิดว่าเข้ามานั่งรอเลยเพราะบางทีเขาบุญมากเขาไปเขาเขาเป็นเทวดาเขาเป็นเศรษฐีบุญบางทีเขามีบุญมากกว่าเราเสียด้วยซ้ำไปแล้วการทําบุญกับการทําทานนี่เหมือนกันไหมคะก็บุญนี่บุญนี่มีมีอยู่สิบชนิดเนี่ยการทําทานนี่ก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง ความสุขใจอิ่มใจนี่เรียกว่าบุญการทําทานนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการนั่งสมาธิก็เป็นบุญอีกอย่างมันมีความสุขมากขึ้นต่างกันการทําทานนี่สู้การรักษาศีลไม่ได้ความสุขใจจากการรักษาศีลมากกว่ากว่าการทําทานการนั่งสมาธินี่สุขใจมากกว่าการรักษาศีลเฉะนั้นอยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราทําแบบไหนได้มากน้อยกว่ากัน บุญที่อุทิศนี่ต้องเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานเพียงอย่างเดียวเพราะบุญอย่างอื่นแบ่งให้ไม่ได้ยังั้นก็ไม่ต้องรักษาศีลให้คนอื่นรักษาศีลให้เราใช่ไหมมันต้องัมาธรเหมือนกันสมาธิก็ต้องนั่งกันเองของใครของมันไงไม่ได้พอดีวันนี้มีคนถามว่าอ่ะบุญอุทิศกับบุญอตะแผงเมตตาเหมือนกันอย่างไรครับอาจารย์ก่อนละเรื่องกันอุทิศบุญก็คือส่งบุญที่เรามีไป ส่วนเมตตานี้ก็คือความปรารถนาดีซึ่งมันอาจจะเป็นไปด้วยกันคือเรามีความปรารถนาดีกับใครแล้วก็เลยส่งบุญไปให้เขาไงใช่ไหมเรามีความเมตตากับพ่อกับแม่คิดถึงพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขนี่เรียกว่าเมตตาเราก็เลยอุทิศบุญไปอันนี้ก็เลือกแต่คนละเรื่องกันการมีเมตตานี้ไม่ต้องอุทิศบุญก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้บุญ แต่เรามีความคิด <mold> ท <ahaha> ี่ดีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่รักพ่อรักแม่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความเมตตาต่อพ่อกับแม่แต่ถ้าเราไม่ได้ส่งของไปเราก็ไม่ได้อุทิศบุญไปแต่คนที่อุทิศบุญส่วนใหญ่ก็ต้องมีความเมตตาใช่ไหมถึงจะอุทิศบุญถ้าเราเกลียดคนนั้นเราจะอุทิศบุญให้เขาหเปล่าใช่ไหมออุทิศเหลือกี่เนี่ยราจะไม่ต้อจะไม่ต้องเจอเนี่แสดงก็เรียกการแผ่เมตตาหรือบปล ไม่การแทนไม่การการแานเม่ตาต้องไม่ไม่ใช่ไปอยากให้เขาไม่เจอเราหมายถึงว่าเราสมมติเราไม่อยากเจอคนนี้เกลียดคนนี้คนนี้เกลียดเราคือแผลไม่ตาอเจอแต่ยังใช่ไม่ใช่เม่ตาแล้วยังเป็นความยังเป็นความนังเกลียดอยู่ถ้าเมตตาต้องยินดีพบเขาเสมอยินดีพบแล้วเขาจะด่าเราแล้วก็ยินดีก็ยินดีให้เขาด่าไงถ้าเป็นความสุขถ้าก็มีความสุขจากการด่าเราก็ให้เขาด่าไป S <S ถึงจะเรามีความเมตตา ว, ว, วิธีกําจัดความที่คนอื่นเขาดินทาเรามันมีอย่างนึงที่ผมคิดและใช้อยู่รประจำครับพระอาจารย์คื อ, อใครด่าเราก็เหมือนเป็นก็เหมือนไปษณีส่งมาถ้าเราไม่รับสักอย่างมันก็คืนถึงผู้สง่งเราอย่าไปรับด้วยอารมณ์แล้วรับด้วยด้วยด้วยด้วยสติก็ไม่มีอะไรฟังแล้วก็ผ่านไปอสักแต่ว่ารู้ไปแต่ถ้าเราฟังด้วยอารมณ์เราก็จะมีการตอบโต้โกรธขึ้นมา